อาจารย์ครับกลาวนามสกุลครับผมเจนนริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้อจัดรายการกครัร้งที่152กับพระอาจารย์ตอนนี้มีคนมาฟังร่วมกันพันสามร้อยคนแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนเข้ารายการขอโอกาสพระอาจารย์ถามว่าเช้ามีคนไปใส่บาตรเยอะไหมครับผมวันนี้ประมาณสามร้อยหกสิบสองคนอ๋อครับ ไม่ตรงกับวันพระคนก็นเลยไม่มากเท่าที่วันเมื่อก่อนครับผมก็เป็นปกติของวันเสาร์อาทิตย์ประมาณสามร้อยกว่าครับผมแา้วรยจริงๆสามร้อยกว่านี้ก็เยอะมากเลยนะครับอาายถ้าเทียบกัฝ่ายคนจะมาาหลากใสประมาณเกือบสองร้อยคนอ๋โอถูครับผมวันนี้ตั้งชื่อรายการตั้งชื่อคำถามแรก เรื่องวิชาดับทุกข์ครับอาจารย์จะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายถึงเรื่องทุกข์และก็วิธีการดับทุกข์ที่ถูกต้องทำหลักรู้เทศาสนะ ค, ครับอาจารย์กลับกลับขอความเมตตาครับผมความทุกข์นี่มันก็เป็นเหมือนกองไฟใช่ไหมไฟมันร้อนใครอยู่ในกองไฟก็ต้องรีบวิ่งออกจากกองไฟไม่ใช่วิ่งเข้ากองไฟเหมือนเวลาไฟแม่บ้านนี่ใครใครจะวิ่งเข้าไปเข้าไปในบ้านไม่แต่จะวิ่งออกจากบ้านกันนะ พองูถ้าเข้าไปในบ้านเนี่ยก็ถูกไฟเผาตายราบยศสาเส ร, ริญ ส, สุขเนี่ยก็เป็นกองไฟกองทุกแต่พระอวิชากรอบงาจิตใจของสัตว์โลกจิตใจกลับไปเห็นว่าราบยศสาเส ร, ริญ ส, สุขเป็นสุขะก็เลยวิ่งเข้าหากไปพอวิ่งเข้าหาแล้วเลยต้องมาเจอกับความทุกข์กันทุกข์กับเรื่องราบยศสาเส ร, ริญ ส, ส, สุขเนี่ยเพราะว่า มันไม่เทยงของมันเปลี่ยนได้มันไม่แน่นอนอจะให้มันแน่นอนยั่งยืนถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีขึ้นไม่ลงมีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญก็มีความสุขเจะะริญลาบยศได้สรรเสริญได้ความสุขอย่างรูปเสียงกลิ่นรสแต่เวลามันเสื่อมเวลามันเปลี่ยนไปเวลาลาบเสือเส่อมยศเสื่อม จะนเสื่อนใจเป็นเนินทาสุขกลายเป็นทุกข์ไปท่า น, นั้นก็เจอแต่ความทุกข์เศร้าโศกเสียใจกันเพราะว่าไม่มีปัญญาถูกกวิชาครอบงำวิชาหลอกให้หมองให้เห็นว่าโลกธรรมทั้งสี่นี้เป็นสุขเลยเข้าหาทุกคนอยากมีเงินเพราะใช่เวลามันจเจริญมันสุขจริงเวลาได้เงินมามันสุขแต่เวลาเงินหมดเนมันทุกข์ะ เวลาได้ตำแหน่งมตอนนี้คอมอกำลังจะมีการปรับอะไรนะตอนนี้ได้มาใหม่ๆไม่พินา น, นี่ก็สุกกันตอนนี้ก็าี้ร้อนแล้วเนี่ยไฟหล่นก้นนะอยู่ไม่เป็นสุกนะเพราะไม่รู้จะอยู่ต่อหรือไม่อนาะ ย, ยุส์นะเปลี่ยนได้ตำแหน่งต่างๆเปลี่ยนได้เป็นแล้วก็ปลดได้ฉนันเสระเวลาทํา ถต่ถูกใจเขาก็ว่าสรรเสริญพอไปดนไม่ถูกใจเข้าเขาก็หนา้ารูปเสียงกิเลสที่เราเสกบางทีมันก็เป็นสุขบางทีมันก็เป็นทุกข์มันไม่แน่นอนนี่แหละคือความจริงที่สัตว์ลุ่มมองไม่เห็นกันมีแต่ผ้าเย้า บ, บุคคล น, นั้นที่จะเห็นความไม่เที่ยงในโลกกระทำทั้งสี่มองเห็น มองเห็นตายรักในโลกกรรมทั้งสีมันไม่เทียมมันเป็นทุกข์ว่าเราไปทำให้มันเที่ยมไม่ได้ไปสั่งให้มันเทียมไม่ได้พอมันเปลี่ยนไปมันเสื่อมไปเรื่องหมดไปมันก็เลยทุกข์กันเนี่ยมีนานจะมีพระอริยบุคลมีพระพุทธเจ้ามาสอนว่าอย่าไปเล่นกับไฟโลกธระทนี่เป็นกองไฟกองทุกข์ อยาวิ่งเข้าหามันให้ให้ออกจากกองนี้ไปไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชกันดีกว่าอาจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังปลอดภยัยอย่าวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟไหมอย่าโดนไฟไหมเผาบ้านเผาเผาตั ว, ว, ตวคนตัวเองด้วยอย่าไปเสียดายของในบ้านเลยให้มันเผาหให้มหมดฮะวันใดก็ต้องบวชอยู่ดีวันใดวันหนึ่งใช่ไหม มาตัวเปล่าๆปแล้วก็ไปตัวเปล่าเปล่ามาตัวเปล่าเปล่าแล้วก็วิ่งเขา้เขาวิ่งเขากลองไฟได้อีกท่านนีจะอยู่นอกกลองไฟกับวิ่งเข้าหากลองไฟกันตรงนี้มันระทุกกันแต่คนที่ฉลาดอย่างพระอาริยบุคคลนี้ท่านเห็นนัดตายรักในโลกธรรมทั้งสี่าไม่เอา ถ้าท่านมีท่านเกี่ยวข้องเลยท่านก็ไม่ยึดไม่ติดท่านพร้อมจะให้มันสูญพร้อมที่จะให้มันหมดพร้อมจะจะให้มันเสื่อมพร้อมจะจะให้ลาภที่มีอยู่เสื่อมหมดไปพร้อมที่จะให้ลดที่ได้มาเสื่อมหมดไปพร้อมที่จะให้สารเสริอที่ได้มากลายเป็นนินทาไปพร้อมที่จะให้ความสุขจากรู้เสียอกินลดให้มันกลายเป็นความทุกข์ไปพร้อมที่จะ เราได้เห็นแล้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอย่าง ต, ตอนที่อนที่พระอญญานกนัญญาบรรลุเป็นพระสวดาบรรทัศน์นพูดว่าสิ่งใดทําใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาทำนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นตายหลักเห็นโลกธรรมแล้วก็รวมไปถึงร่างกายด้วยเพราะ่าร่างกายก็เป็นส่วนหนกกึน่งของโลกธรรมตาหูจมูกยิ้มกาย มันก็เป็นตาล่ะการสรัปง่าย่อาจารย์ครับลในแง่ที่พวกเราส่วนใหญ่ที่ฟังเป็นปุถุชนยังต้องอาศัยราบรถสรรเสริญ น, น, นี้อยู่ในชีวิตจาวันยังคิดไม่ได้อย่างนั้นเราจะอยู่กับมันด้วยปัญญาที่พอจะดับทุกข์ลงได้บ้างเหรท่านน่หเหรอท่านกคอยเตือนว่ามันไม่แน่อน อ, อนไยขึ้นได้ลงได้พร้อมที่จะให้มันอนง เวลาหุ่นตรงนี้เป็นยาหุ่นก็ไม่หมดนะฮะช่วงนวันเลี้ยงครับ<อ>ถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าคนมีปัญญาคอยเตือนใจนะครับมันก็ไม่ขึ้นไม่ลงเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะไปเครียดจะมันก็เอาเงินไปฝังเอาไปฝังดินไว้ก็แล้วกันมันจะมันก็จะอยู่เท่าเดิมไม่ขึ้นไม่ลงตอนนี้ก็ปิดไปไม่ดูนะครับอาจารย์ ก็ไม่ทุกขมันครับอาจารย์ครับต้องรู้ว่ามันต้องลงขึ้นแล้วก็ต้องมีลงเป็นธรรมดาต้องรู้ว่ามันเป็นนันทิจจังทุกขังหน้าตาถึงแม้เรายังต้องอยู่กับมันก็อยู่แบบละมั่นละหวังไม่ประมาทครับครับอาาจย์ครับกลับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีคําถามมาเยอะเลยครับอาจารย์ครับโอกาสถามคำถามจากเพื่อนนะครับ คุแว่นครับขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายความหมายของคําว่าธรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยครับก็ทำทีที่ที่อาจารย์เรามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งลา่ของนอกกายก่อนคือราบน้นสรรเสริญสุขบุคคลต่างๆที่เราพบเห็นรู้จักและไม่รู้จักก็ต่างอันนี้อย่ยาไปยึดไปติดกับเขาเพราะเขาไม่เที่ยงทั้งหมดเขามีเกิดไม่ดับ ถ้าไปยึดไปติดมันก็จะอยากให้เขาอยู่ไปนานไม่อยากให้เขาจากเราไปพอถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็เศร้าโศกเสียใจในของภายนอกแล้วขยับมาต่อมาก็ตัวร่างกายเองก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วขยับเข้าไปรึ ก, ก่า น, นั้นก็เวียนนาความรู้สึกสับทุกที่เกิดจากทางร่างกายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน แล้วเข้ามาเข้าไปเล็กอีกหน่อยก็เข้าไปในจิตตัวจิตเองก็ไม่อารมณ์ต่างๆที่มีในจิตก็ไม่เที่ยวเป็นตายรักทั้งหมดสเปตามาหน้าตาทำทั้งหลายเป็นอน้านตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมันเป็นตายรักเป็นห น, นีจ้จำทุกขังอนหนานตาไม่ควรไปยึดมั่นถือมันถ้าทําได้ก็หมดถูกเลยเหมือนกันนะครับอาจารย์ใช่ก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็ตัดเป็นขั้นๆไป ขั้นตอนก็นตัดนามวิสระเสริญสูงแล้วก็ไปบวชกันพระพุทธเจ้าวิสระนาชสมบัติแล้วก็ไปบวชแล้วก็ไปไปสร้างพลังจิตคือสมาธิแล้วก็วิบคิดคนนี้ปัญญาจนเห็นแล้วว่าสิ่งต่ตางทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดถ้าไปอยากก็เลยปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากปล่อยให้เขาเป็นไปปล่อยร่างกาย ให้แก่เจ็บตายไปเวลาของมันปล่อยให้เวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขบ้างไม่ทุกบ้างสลับกันไปปล่อยให้อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของมันจากคุณฝนครับปฏิบัติเองที่บ้านอาศัยฟังครูบาอาจารย์ใน y o youtube ชอบปฏิบัติตามหลวงตามาหาบัวอย่างนี้ได้ไหมครับ ก็อยู่ที่ตัวเราเนะ น, น่นะได้ไม่ง่ายก็อยู่ที่ผลของการปฏิบัตนะิถ้าปฏิบัติแล้วจิตเรากำจัดความทุกข์ได้ก็ใช้ได้ให้ดูเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆเราเครทุกกับเรื่องที่เราแตอนนี้เราไม่ทุกข์กับมันมอย่า ง, อ ย, างอย่างนี้สมมุติเมือ่อก่อนเราทุกข์แต่ตอนนี้เราไม่ทุกขนะ์แล้วเคยทุกกับกาแฟอตอนนี้ไม่ทุกขนะ์แล้วเพราะไม่ดื่มแนละ้วเครทุกกับบุหรี่ตอนนี้ไม่ดืนะ่มแล้ว ก็ดูที่ความทุกข์คุณดำครับพระพุทธเจ้าตัดสรุปปฏิจจสมุ ป, ปบาทหรืออริยสัจสี่ครับทั้งหมดนะทั้งสองอย่างทุกอย่างปฏิจจมันเป็นเหมือนกับเป็นโครงสร้างของของทางเดินของอวิชชาที่พาให้สัตว์โลกมาวินว่าตายเกิดอวิชชามันอยู่ในจิตแล้วมันก็สั่งจิตสังขารให้ไปให้ไปส่งวิญญาณให้ไป เตดกับตาหจะมอกทิ้งกายเพื่อจะได้เสรพรูปเสียงกิรลดผลธรรมะพอได้สัมผัสได้เสพก็เกิดตันหาความอยากขึ้นมาอุ ป, ปทานความยึดมัน่นนะไม่พอมีตันหาไม่มีอุปทานมันก็จะมีภาวะคือมีภาวะที่จะต้องเสพเสพ ส, สิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้เสพมันก็ไปมันก็ไปหาวิธีเสพใหม่แค่ร่างกายตายไปมันก็ไปเกิดใหม่อันนีน้คือปฏิจจสมุปบาท อริยสัจสี่ก็คือทุกข์ใจทุกข์กับทุกข์กับสิ่งหนึ่งดเพราะไปอยากอยากให้มันเทียมของมันไม่เที่ยมไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้รู้สึกกินรอสมันเทียมแต่มันไม่เทียมเลยทุกข์จากคุณโปครับอิทธิพลของตัวเลขมีผลกับชีวิตไหมครับถ้าเราเป็นเกี่ยวข้องกับมันมันก็มี ถ้าเราเป็นนายธนาคารมันก็มีนายธนาคารด้วยต้องดูยอดเงินเข้ามือเงินออกนะ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้งของกับมันมันก็ไม่มีผลต่อชีวิตของเราแล้วเราก็มีอิทธิพลแค่นับตัวเรขคนใส่บายอไหร่กี่คนหรือสายน้อยหน่อยครับรายได้น้อยหน่อยครับคุณไตรภพครับ การที่เราภาวนาว่าพุโทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทำโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกับการที่เราภาวนาว่าพุโทโธให้ผลทางสมาธิเหมือนกันหรือเปล่าครับก็ลองทําดูสิมันแต่ละคนมันจะเน้นนั้นเหมือนกันบางคนชอบสวด ย, ยาวๆบางคนชอบสวดสันด้นๆเป้าหมายก็คือให้จิตมีสติไม่ให้ไม่ให้ใจลอยไปลอยมา ก, กับอารมณ์ต่างๆกับความคิดต่างๆอย่างไรก็ได้ จะสวดบทยาวก็ได้สวดบทสั้นก็ได้คุณฝนครับอารมณ์ตอนนี้เวลาทุกเกิดจะมีตัวหนึ่งเห็นทุก์แล้วทุกก็ดับเราจะรักษาตัวรู้ให้อยู่ได้ตลอดต้องทำยังไงครับไม่ต้องรักษาตัวรู้ตัวรู้มันอยู่มันตลอดอยู่แล้วให้นักให้กำจัดความทุกข์เท่านั้นการปฏิบัตินี้ยปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์อย่าให้ทุกขมันโผลขึ้นมา พวกอนไรเกิดขึ้นมาปุ๊บต้องกบจัดมันให้ได้ทันทีคุณกีฟทับอยากสอบถามว่าสัญญาทับจิตหมายถึงอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับไม่เกี่ยวกับไม่มีสัญญาทับจิตไม่ทราบ ม, มามาจากไหนสัญญาเป็นอาการหนึ่งของจิตจิตมีมีมาอาการด้วย4อาการก็คือนา ม, นามขันนามขันสีเวทนาสัญญาสางการวิญ ญ, ญาณ อาการหนึ่งอันก็คือตัวรู้มีความรู้นี่คือนี่คือเรื่องอาการในความสามารถของจิตมีอยู่ห้า้าความสามารถด้วยกันสัญญาณกับความจำได้หมายมรู้ส่วนจิตก็คือรู้ <Okay. S 1> <ล atto. S 2> คุณเลชครับบอกว่าคนป่วยสั่งไว้ว่าถ้ามาถึงจุดวิกฤตไม่ให้ใส่ท่อให้ขอยาให้หลับไปเลยเราทำตามบาปไหมครับ ่าเพราะว่าคนสั่งก็บาปคนทำตามก็บาปเพราะเป็นการฆ่าเป็นการปราณาติบติไม่เจตนาต้องการตายแต่ถ้าเขาสั่งว่าไม่ต้องรักษาปล่อยให้มันเป็นปายตามธรรมชาติของร่างกายอย่างนี้ไม่บาปจะไม่ต้องรักษาไม่ต้องไม่ต้องเอาสายยางเข้ามาในร่างกายให้ลงหายใจให้อาหารให้น้ําลยมให้มันอยู่มันกินได้กินกินไม่ได้กไได็ไม่ต้องกิน อย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าสั่งแต่ถ้าสั่งให้ให้ตายนี่บาคนคนสั่งเองก็บาปคนทำตามก็บาปทำเองก็ดีสั่งให้พูดคนสั่งให้พูดมาทำก็ดีก็บาปบาปไม่กันตรงคู่ก็คือสรุปว่าไม่ใส่ท่อไม่บาปแต่ว่าเอาอยา อ, าอะไรไปเขากินยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมย่าไปทําให้ร่างกายตายเองบอกให้มันตายเองอย่าไปทําให้มันตาย คุณชาตรีครับพ่อเสียมาหนึ่งเดือนแล้วครับจึงอยากรู้ว่าในความเป็นจริงวิญญาณของพ่อยังอยู่บ้านหรือไม่และการใส่บาตรและถวายสังฆทานจะทําให้พ่อผมไปดีจริงหรือไม่ครับคือมันความเป็นจริงเนี่ยวิญญาณมันไปตามบุญตามบาตแล้วตั้งแต่นมสุดท้ายมมหมดนมเมื่อไหร่วิญญาณก็แยกออกจากร่างกายไปแล้วก็จะถูกอิทธิพลของบาตรนะืละบุญพ า, พาไปสู่สวรรค์แลอไปสู่อบายแล้ว แต่มันก็มีกรณีพิเศษกรณียกเว้นบางกรณีเช่นไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเป็นขอทานานี้ก็ต้องมาเพิ่มบนของผู้ที่มีชีวิตอยู่ส่งไปให้ส่งไปแล้วถ้ามันส่งไปพอเพียงก็าจจะสามารถส่งให้เขาไปสู่สุคติได้ให้พ้นจากการเป็นเปรตได้แต่นั้นเป็นเรื่องของกรณี มันด้เป็นทท่า ก, กับบุดวงวิญญาณนั้นแต่สถานภาพของดวงวิญญาณนั้นมันอยู่ในสถานภาพอะไรถ้าเป็นเปรต เ, เนี่ยเป็นพวกเดียวที่สามารถมารอรับบุญของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้คุณสารดาครับบอกว่าอาชีพเลี้ยงปลาขายบาปไหมครับถ้าขายเพื่อให้เขาฆ่านันก็บาปความจึงถึงแม้เอาไปค่าก็ไม่คน มันไม่เป็นสมาธิพเพราะมันเป็นการเบีย่ยดเบียนชีวิตของผู้อื่นแต่มไม่ได้ตาย ก, ก <c oughs> ันแล้วก็เหมือนกันกว่าเราเอาประโยชน์จากชีวิตของเขาคขาดชีวิตของเขาทางดีๆอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นดีกว่าคุณดีซีครับนั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้ง ค, ควร น, นั่งต่อไปหรือลืมตาแล้วตั้งจิตผุดทโธทใหม่ครับ ก็ได้ทั้งสองอย่างอหลับตาแล้วก็ทั้งพุทธโทต่อไปก็ได้หรือจะเลื่ตาแล้วก็ได้แต่ถ้านั่งต่อไปได้ไม่ต้องมันเลื่ตาพุทธโทต่อไปได้ก็จะดีกว่าถ้าทําได้คุณไอซ์ครับการถวายน้ําพระจําเป็นหรือไม่ครับเวลากินอาหารก็ต้องมีน้ำดื่มด้วกันทุกคนไม่ใช่ถ้าให้ข้าวอย่างเดียวไม่มีน้าเลย แต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นเหมือนพระท่านหาน้าหนึ่งได้ถ้าถ้าญาติโยมไม่ถวายพระท่านก็คงจะหาเองได้แล้วเพราะว่าบางทีถ้าถวายน้ําถ้าพระไปบินธบารูปเดียวแล้วไปถวายน้ำทั้แพกหนึ่งท่้นก็ไปไม่าดก็ต้องดูกาลเทศะดูความเหมาะสมครับแต่ถ้าเราสายบินธบารนี่เรามีลูกศิษย์มีรถตามมาเนี่ยใครก็ถวายอะ้รถวายได้หมดเะเพราะมีลูกศิษย์ม า, ลาแล้วก็ขนขึ้นรถสอง กลับเอากลับไปวัดได้แต่ถ้าเราเดินคนเดียวขอร้องเถอยาถวายคนละคนเลพระอาจารย์ <c oughs> แต่ในที่นี้อาจจะหมายความว่าถวายร พ, พระพุทธนา<อ>พระพุทธรูปอ๋อพระพุทธรูปบิชาบูชาพระพุทธรูปมันเกิดชาบูชาด้วยดอกไม้ทูท่เทียนเครื่องสักการะไม่ใช่อาหารกันน้ำดื่มนี่พระพุทธรูปต้มเดิอไม่ได้ท่านกินอาหารไม่ได้ไม่เกิดปรนอะไร คุณจุธาครับทำอย่างไรจะให้ฉันทะในการปฏิบัติธรรมที่เคยมีแล้วหายไปนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิมครับก็ต้องพยายามปฏิบัติเรื่องต่อไปให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะอาศัยไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเกิดฉันทะได้ในฝังเทศทางธรรมกับครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปอยู่วัดท่านไปปฏิบัติธรรมกับท่าน มันก็จะอาจจะนึงให้เกิดชาชากลับมาได้คุณลักกี้ถามว่าการรักษาโรคโดยใช้จิตทำได้หรือไม่ครับคือบางโรคมันเกิดจากจิตที่ไม่ปกติถ้ารักษาจิตให้หายนะเป็นปกติได้โรคก็หายได้ใช่ไหมภาษาจิตคือางไซโคโซเมติกใช่ไหมใช่โรคที่มีพื้นฐานจากความไม่ปกติของจิต ถ้าเราทำจิตให้ปกติได้มันก็เช่นโรคโรคบางอย่างที่เกิดจากความเครียดของจิตเนะเช่นโรคความดันเนี่ยใช่ไหมความดันนี้เกิดจนะากเพรียของจิตถ้าทําจิตให้สงบไม่เครียดได้โรคความดันก็จะบรรเทาได้แต่จะหมดหรือไม่กไม็ไม่ไม่ทาก็พามันอาจจะมีปัจจัยอื่นด้วยที่มาเกี่ยวข้องกับโรคนี้ ให้บางโที่เกิดจากเหตุถ้ามีจิตเป็นเหตุแล้วเรามาทำรักษาจิตให้เป็นปกติได้โ้วก็น่าจะหายตามได้ตอนนี้มีการศึกษาเรื่องการนั่งสมาธิแล้วลดความดันได้เยอะแยะเลยครับอาจารย์ครับก็ได้จริงๆด้วยครับอาจารย์ครับคุณแบมครับเราจะเอาชนะคุณใสที่มากระทำกับจิตยอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจไม่สนใจมันก็จบนะ เราไปเชื่อมันเองแล้วก็บูงแต่งไปเองในจิตเราทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นมาคุณเฟรนบอกว่าขอคำแนะนำก่อนนอนสวดมนต์บทไหนดีครับง่ายทุกบท น, นะแต่เราจะชอบชอบบทไหนก็สวดไปการสวดก็เป็นการฝึกสมาธิเองแต่อย่านอนสวดก็เป็นการสวดเนี้ยมันจะหลับเร็วมันจะ ถ้าอยากจะสวดเพื่อเป็นเป็นญาณนอนหลับก็ใช้ได้บางคนนอนไม่หลับแล้วพอสวดวนนอนสวดวนไปในใจก็หลับได้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทําเพิ่มไม่ได้ทําเพื่อสมาธิทําเพื่อให้ให้ใ ห, หลับคุณอรารยาครับเรามีลูกแต่เขาไม่รับเราเป็นแม่แถมด่าเราอีกลูกบาปมากไหมครับก็เป็นคนที่ไม่มีความกตัญญูเป็นคนที่ เไม่รู้คุของผู้ก็เป็นคนที่จะเจริญนั้ยากเพราะว่าไปอยู่กับใครก็จะไม่มีใครเขายินดีที่จะสนับสนุนเพอะคนแบบนี้ทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ไปทําร้ายพ่อแม่ก็ยังไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ไม่มีบุญไม่ได้บุญความกตันอยู่กับตเวทีนี้เป็นบุญอย่าง เป็นคุณสมบัติของคนดีด้วยเราจะดูคนแล้วก็สังเกตอยู่ที่คํามกตัญญูเนี่ยคนที่มีคํามกตัญญูเลยได้คุณใหม่ครับการนั่งสมาธินั่งที่บ้านถึงพุทโธธรมโมสังโคก่อนนั่งได้ไหมครับหรือเราควรไปฝึกกับพ่อแม่ครูอาจารย์ก่อนครับอ๋อถ้าเราต้องการปฏิบัติเราปฏิบัติที่ไหนก็ได้ที่เราไปหาครูบาอาจารย์ก็่านั้นท่านสอนวิธีปฏิบัติถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิ ทนายบุญสิริครับอยากให้ท่านอธิบายปฏิจจสมบาทช่วงตัณหาอุปทานพบครับเอาละเวลาที่ยอมไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็อยากจะได้นะไปเห็นของเจ๋เสอองสวยงามที่ถูก อ, อกถูกใจก็อยากจะซื้อได้มาตัณหาก็เกิดความอยาก เราซื้อมาแล้วก็มีอุปทานยึดยึดติดมันใช่ไหมห่วงรักไม่อยากจะให้มันอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรไปหายไปก็ทําให้เราต้องไปซื้งมาใหม่ภาวะใหม่ก็เกิดขึ้นถ้าตายไปก็ไปเกิดใหม่เพื่อจะได้กลับมาหาสิ่งที่เรารักเอาชอบใหม่อีกทีนเข้าใจนหะถูกต้องไหมอ๋อเข้าใจครับอาจาครับทำได้ คุณฝนครับอาจารย์บอกว่าขอวิธีขจัดทุกข์ให้ออกไปเร็วที่สุดต้องทําอย่างไรครับหยุดความอยากทั้งหมดนั่งเฉยๆถ้ก6ชั่วโมงเลยความทุกข์จะหายไปเยอะเลยอย่าไปทําตามความอยากให้นั่งเบาอีสบายๆอย่นี้แต่ไม่ไม่ไป ไ, ไม่เคลื่อนออกจากที่ที่จุดนั้นไปถ้านั่งแล้วมันเมื่อยทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปยืนคลายความเมื่อยยืนอยู่มาตั้ง6ชั่วโมงก็กลับมานั่งใหม่แต่จะไม่ย้ายออกจากที่จุดนั้นไปกชั่วโมง เพราะมันกับจัดความอยากได้เยอะเลยความอยากจะไปนู่นมานี่ทํานู่นทํานี่ทำทั้งที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องทําแล้วก็ไม่ให้ดูอะไรไม่ฟังอะไรด้วยนะให้นั่เฉยๆไม่ให้เสพโน้เสียงกินรวดผดผล้ะไม่มีหนังสืออา่านไม่มีอะไรทนะั้งนั้นให้ชั่วความอยากด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิทั้งนี้ที่เรามีอยู่ในใจเรา อ้าหินะ้ําก็เอาน้ํามาตั้งไว้ที่ข้างๆที่เก้าอี้อมันจะได้ไม่หางเดี๋ยวมันจะอ้างไปหาหน้ำหรืออื่นนอกจากถ้าปวดฉี่ถ้าไม่อยากให้มันไปก็หาก็ถ or ไว้เลยวางไว้ข้างๆเวลาปวดฉี่ก็ฉี่มันตรงนั้นเลยครับเมคิดดูแต่เวลานั่งนั่งกินมันต้องหลายชั่วโมงทํำไมนั่งกันได้แต่ส่วนใหญ่นั่งแล้วหลับกันอันนี้นั่งแล้วมัห้ามหลับด้วยนะไม่ให้หลับให้ตื่นตลอดเวลาให้สู้กับความอยาก ช น, นะนความอยากได้โอ้เราเราจะชนะความทุกข์ไปได้ในหลายระดับเลยการที่จะไปเสพรูปเสียง ก, กลิ่ร้อนนี่มันจะลดน้อยลงไปดีแต่มันยังไม่หมดนะมันยังมีอย่างอื่นที่เรายัางไม่ได้ตัดแต่ว่านี่เป็นขั้นขั้นต้นก่อนขั้นต้นที่ตัดการอยากจะไปดูรเปลี่ยนรูปเสียง ก, กลิ่ร้อยู่ตรงนี้แล้วมันเบือ่อเห็นรูปเสียงิ่นร้อนซ้ำๆซากๆก็ๆอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรไปเราจะไม่ให้มันเปลี่ยน ให้มันอยู่กับความจําเจซ้ํากนั่นแหละนะแต่ยังไม่ให้มันเทอาให้มันยังไม่ให้มันสู้กับทุกขเวทนางของร่างกายเพราะว่าสติปัญญากําลังเรายังไม่พอตอนนั้นตอนนี้เอา๋อชนะแค่ความอยากการมัชฌิมก่อนความอยากไปเสพมุสิกินรสต่างๆนั่นเฉยๆสักหกชั่วโมงเนะไม่เห็นจะเดือดร้อนรงไหนเลยต้องทําอะไรเร่งเฉยๆเลยเคยลองแล้วครับเ ติดคุกยังเปนติคนคดคุกอย่างนี้ข้าพเจอยากนอนนอนได้ต่คคุกยังนอนได้แค่แค่เห็นสวิตก็อยากไปเปิดไฟแล้วอาจารย์อยากคิดเรื่อคุณอารยาครับบอกว่าการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมีผลกับชีวิตไหมครับแต่คิดว่าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ที่บุญบาปการกระทําดีชั่วของเราที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา คุณปุลครับกรณีสัตว์เลี้ยงตายเขาจะไปเกิดเป็นอะไรได้บ้างเพิ่งเสียสัตว์เลี้ยงที่รักมากไปครับก็อยู่ที่บาปที่เขามีอย่ยงมันยังมดมันยังมีฤทธิ์หรือเปล่าถ้ามีฤทธิก็ยังอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์ต่อไปอีกแต่ถ้าบาปที่ที่ทําให้เขาเป็นสัตว์เนรชาแน่มันหมดอิทธิพลแล้วมันก็อาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ คุณ VSV ครับบอกว่าเครียดวิตกกังวลหรือวิกฤตจริตแก้อย่างไรดีครับหยุดคิดนหยุดคิดความเครียดความวิตกกังวลเกิดจากความคิดของเราใช่บริการพุทโธพุทโธหยุดความคิดพอมันไม่คิดแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายว่างจากความวิตกกังวลต่างๆคุณจริยาครับเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเลยโดยที่ไม่ได้เดินจงกรมได้ไหมครับ ได้แล้วเวลาสวหมนต์สวนในท่าสมาธิเลยก็ได้ไปนั่งในท่าผันสมาหลับตาแลวา้วก็สวดไปภายในใจเลยก็ได้จะได้ไม่งจะได้ไม่องเปลี่ยนนิยามมจะได้เป็นการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องไปเลยคุณปูเป้ครับวิธีการที่จะทำให้บรรลุถึงอัปปนาสมาธิถึงอุเบกขาต้องมีความเพียรปฏิบัติเกือบต่อทั้งวันทุกๆวันใช่ไหมครับใช่ต้องปฏิบัติสติก่อน ต้องมีสตินั้งแต่เรล็มตาขึ้นมาเลยนั้งสตินั้งแต่เรล็มตาขึ้นมาถ้าใช้พุโทโธก็บริรแกพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆยกเว้ว่าจะมีเรื่องจำเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็บริรแกพุโทโธไปจนกว่ามันใจไม่มนมันไม่คิดแล้วก็หยุดพุดโทโธได้พอมันนั่งคิดใหม่แล้วก็พุโทโธใหม่ไปแล้วก็พอไม่ต้องทําอะไรก็นั่งสมาธิต่ตอไปเลย คุณโต้งครับนั่งสมาธิพอสงบจากความคิดฟุ้งซ่านแล้วควรทําอย่างไรต่อครับก็ให้มาสงบนานๆได้นั่งเฉยๆต่อไปไม่ต้องทําอะไรรักษาความสงบไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้คุณวิตรีครับฟังพระอาจารย์มานานแต่ยังทําไม่ได้ตัดความอยากพยายามอยู่แต่ขอคำแนะนําที่เพิ่มเติมได้หรือเปล่าครับว่าต้องตัดแบบไหนถึงจะขาดครับ ก็เนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยเรานั่งเฉยๆถ้ก6ชั่วโมงด้วยหาเก้ายินสบายๆนั่งแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำตามความอยากต่างๆคุณชอบครับทุกวันพุธพระอาจารย์ยังเทศในซูมไหมครับมีมีภาษาไทยวันพุธภาษาอังกฤษเป็นวันวันองังคารเวลาเดียวกันสองทุ่คุณหนุ่มน้อยครับ ผมจะถามว่าเมื่อวานถวายวัดเทพนิมิตแล้วคุณแม่จับกล่องดีนาะงานดําถวายแล้วผมไม่กล้าบอกแม่เลยผมอายผมเลยเฉยผมจะบาปไหมครับพี่ช า, าวบานเกี่ยวกับรื่องอะจับกล่องดีนางานดําดไหมไม่รูไม่บาปหรอกเพราะไม่ได้ไปถ้าไม่ไปเสียน่าเรา ไ, ไม่บาปคุณฟ้าใสครับ คุณพ่อถือศาสนาอิสลามแต่เสียไปแล้วเราเป็นพุทธทำบุญตักบาตรให้คุณพ่อได้ไหมครับได้ทุกคนดวงวิญญาณทุกคนไม่มีศาสนาแต่ม่ได้นำเสศาสนาใดแต่ก็เป็นดวงวิญญาณเหมือนกันถ้าเป็นเปรตก็เป็นเปรตเหมือนกันคุณอ้ําครับคุณแม่มีบ้านหลังเล็กๆอยู่กรทมแล้วแต่อยากไปสร้างบ้านอีกหลังที่ต่างจังหวัด แม่บอกให้ลูกๆไปกู้เงินหรือขายทรัพย์สินของพ่อเพื่อเอาเงินมาให้แม่สร้างบ้านให้เสร็จแต่ลูกๆไม่สามารถทําให้ได้แม่โกรธลูกคิดว่าลูกขัดขวางการสร้างบ้านของคุณของเขาลูกไม่สามารถหาเงินให้แม่สร้างบ้านอีกหลังได้ทําให้แม่เป็นทุกข์จนแม่บ่นว่าอยากตายแบบนี้ลูกอักตันอยู่กับแม่ไหมแล้วลูกๆจะทํำยังไงให้แม่ไม่ต้องเป็นทุกข์เรื่องการสร้างบ้านอีกหลังที่ต่างจังหวัดครับนี้ความทุกข์เกิดจากความอยากของคุณแม่เอง ถ้าคุณแม่เลิกความอยากมันก็ไม่ทุกข์ส่วนลูกถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยอยู่ในความสามารถที่จะที่จะตอบแทนตัณหาของแม่ได้ก็ไม่บาปแต่อย่างไงไม่กระตันอยู่แต่อย่างใดคุณคุณชอบครับถ้าเราช่วยพ่อแม่จนเหนื่อยและเดือดร้อนเองจนไม่อยากช่วยแล้วอย่างนี้ถือว่าไม่กระตันอยู่ไหมครับก็ช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ แต่ไม่ควรจะเลิกช่วยช่วยจา ก, กําลังของเราไปเพราะเราต้องคิดถึงเวลาที่ท่านเลี้ยงเราท่านนั้นอาจจะหมดกาลังอยากจะเลี้ยงเราแต่เรต้องทนเล้เราต่อไปจนกระทั่งเราโตนะแล้วก็คนที่จะเลี้ยงท่านไปจนกว่าท่านจะตายถ้าเราทําได้คุณปิยมาศบอกว่าคุณใส่มนดํามีจริงไหมครับมันก็จริงในคนที่เชื่อน่ะคนที่ไม่เชื่อมันก็ไม่มีอยู่ที่ความเชื่อ นีคุณนุ่นปาณีครับจะวางใจแบบไหนเมื่อคนใกล้ชิดพูดใส่ร้ายพูดไม่เป็นความจริงครับก็ห้ามก็ไม่ได้พิจารณากว่าเป็นอนัตตา เ, เหมือนเหมือนเป็นเหมือนเสียงลมพัดเนี่ยลมจะพัดเสียงค่อยเสียงเบาเสียงแรงเราก็ไปห้ามลมไม่ได้แต่ในลมปากของคนก็เหมือนกันก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นธรรมชาติเหมือนกัน เราไปควบคุมไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับบอกว่าอยากไปบวชโดยไม่ศึกต้องละอะไรให้ได้ก่อนจะบวชครับอาจารย์ต้องละสมบัตินะละางิ น, นเสร็จสเสริญสมน์ถ้ามีภรรยามีอะไรก็ต้องละให้หมดก่อนคุณขวัญครับระหว่างดับทุกข์ จับอยู่กับความทุกข์ด้วยใจไม่ทุกข์แบบไหนดีกว่ากันครับคือวันทุกข์มันมีสองอย่างทุกข์ที่เกิดในขันเช่นเกิดจากร่างกายที่เราไปดับมันไม่ได้มันก็ต้องอยู่กับมันไปทุกข์ที่เราดับได้ก็คือทุกข์ที่เกิดจากปัญหาความอยากของเราอันนี้เราดับมันได้เวลาเกิดความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากเสียแล้วความทุกข์ก็จะหายไปแต่ทุกข์ที่เกิดจากขันเกิดจากร่างกายที่เรา ดับมันไม่ได้งั้แต่พระพุทธเจ้าก็ดับความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ร่างกายของเจ้าก็เหนื่อยเพียท่านก็ต้องพักพ่อนับนอนอันนี้แต่ท่านก็อยู่กับมันไปโดยที่ใจท่านไม่ทุกข์กับมันคุณสุดนีครับอยากทราบว่าจิตดับคืออะไรและควรทําอย่างไรครับจิตไม่ดับหรอกคำว่าจิตดับก็คืออารมณ์ที่ก่อนดับในจิตมันเ่อน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวอารมณ์เดี๋ยวอารมณ์ข้างเดี๋ยวอารมณ์สงบอยเี้คุณนิกนะครับหนูมีความตั้งใจยอยากรักษาศีลแปดแต่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนในกฎข้อบังคับเท่าไหร่ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยครับนอนห้องแอร์ได้ไหมครับมันธรรมพุทธการมันไม่มีแอร์เนี่ยนะเพืนะาจรยไม่ให้เราเสพสุขทางตาหูจมูกเน้องาย ให้อยู่แบบธรรมชาติตามมีตามเกิดยังถ้าเราไม่ไม่ใช้อะไรได้ก็จะดีเก็บไว้อยู่แบบอยู่แบบอยู่กับธรรมชาตินะแล้วก็ไม่สว่างทาความสุขจากรูปเสียงกสียนรีปรุงแต่งต่งงง mm hmm. างๆเช่นภาพยนตร์ละครหรือการนั่งเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้ให้อยู่กับรูปเสียงกินรูปที่เป็นธรรมชาติได้ เห็นเเห็นรูปตอนไนั้นาอยู่ได้ยินเสียงรวมพาร์ติเได้อยู่แอย่าไปเอากับพว ก, พวกที่เป็นของปรุงแต่งขึ้นมาเพราะมันมาจากกิเลสกิเลสเป็นผู้สร้างมขึ้นมาแล้วก็จะเสพกิเลสก็จะให้เราไปเสพสิ่งเหล่านี้คุณแอมครับกายไม่ใช่ของเราเราจะสามารถแยกให้รู้สึกได้อย่างไรครับก็เวาลาที่เราไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็ง ถ้าเรายากก็คือเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับมัน ถ, ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราแยากไม่ได้คุณแคทครับการที่เราอยู่ในโล ก, กธรรมยังใช้ชีวิตแบบคารวะปกติถือศีลห้าแต่ยังดูแลตัวเองให้ดูดีดูสวยแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในกายมีสติอยู่กับกายตลอดปฏิบัติแบบนี้ยังถือว่ามีโมหะอยู่หรือเปล่าครับและปฏิบัติทำทุกวันวลาสองถึงสามเวลาเวลาละครึ่งชั่วโมง ได้แต่ความสงบสบายครับก็ดูว่ามีโมหันต์หรือไม่ก็ดูว่าที่เราทุกข์กับมันหรือไม่ทุกข์กับร่างกายหรือไม่เวลาที่ผมมันบอกขึ้นมาหรือมีตีนกาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูว่าเราทุกข์กับมันหรือไม่ถ้าทุกข์กับมันก็แสดงว่ายังหลงอยู่ถ้าเราไม่ทุกข์กับมันไม่เดือดร้อนมันจะเป็นยังไงก็เป็นไปมันไม่เห็่ตัวเรา ต้องมองให้ร่างกายเห็นว่าเหมือนกับเรามองร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นเป็นยังไงนะไม่เดือดร้อนชั้นใดเราก็ต้องให้เดือดร้อนกับร่างกายของเราฉันนั้นคุณเพนแขครับได้ทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจแมวไปหลบในเครื่องรถยนต์ไม่รู้ได้ขับรถแล้วแมวเสียเราต้องอุทิศบุญยังไงครับไม่บาปเนาะแต่เราอุทิศแต่ถ้าเราอยากจะช่วยแมวเพราะเขาเขาอาจจะต้องการบุญ เราก็ทำบุญใส่บาตรแล้วก็ อ, อกืทิศไปให้กับเขาได้คุณนิกแนะครับหนูเปรตป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายตัวเองตอนนี้รักษาด้วยวิธีการช็อตไฟฟ้าและแอคเคมีนอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ให้ธรรมะแนวปฏิบัติให้คนจากทุกนี้ด้วยครับเบืองตอนก็ต้องทำใจให้สงบไปได้ถ้าใจสงบและอารมณ์ต่าง ที่มันจะคิดทำร้ายร่างกายเรามันก็จะไม่มีเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปทำร้ายร่างกายที่เราไปทำร้ายร่างกายเพราะว่าอารมณ์เราเกิดไม่ดีขึ้นมาแล้วคิดว่าเป็นการทำร้ายร่างกายเป็นการวันเทาอารมณ์ของเราเราก็เลยไปทำร้ายร่างกายแลวิธีที่จะแก้ปัญหาที่ต้องแก้ด้วยสติฝึกสมาธิฝึกสติทําใจให้นื่องให้สงบให้ว่างจาก อารมณ์ต่างๆให้ได้แล้วความอารมณ์ที่อยากคิดว่าจะไปสร้างความทําร้ายหน้ากายมันก็จะไม่เกิดขึ้นจากคุณก่อมครับจิตกับกายต่างกันอย่างไรครับจิตเป็นของสิ่งที่มีรูปที่เราสัมผัส ต, ตั้มได้มีตาหูจมูกนิ้วกายแต่จิตนี้มันไม่มีรูปร่างมันเหมือนกระแสวิทยุกระแสที่เราใช้เชื่อมต่อ เครื่องมือถือสองเครื่องนี่มันเป็นกระแสวิทยุที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาปล่าจิตก็เป็นค่าลักษณะนาแต่ไม่ได้เป็นกระแสวิทยุนะเพียงแต่พูดเปรียบเทียบเป็นสิ่งที่เราไม่สามมันไม่มีไม่มีรูปร่างหน้าตามาน้ำหนักกายแล้วมันมันมีความสามารถในที่จะมีความรู้สึกนึกิดนับรู้เรื่องราวต่างๆได้คุณอู๊ดครับ เราเป็นค า, ารวาสมีปัญหาสุขภาพแต่เราสนใจธรรมะเราปฏิบัติตัวถือศีลทานกันกับคนตกทุกข์ได้ยากตามกำลังที่มีทำภาวนาตามกำลังที่มีแบบนี้เราจะบรรลุธรรมได้ไหมครับถ้าบรรลุได้มันคงจะบรรลุเป็นอานนั้นนะ <laughs> คุณไอรีนครับถ้าเราเลือกไม่เคารพนับถือญาติพี่น้องของเราที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้ถือว่าผิดศีลไหมครับไม่ผิดอแต่ไม่อันจะผิดการะเทศคผู้ที่เขาสูบเราเร า, เราคงอจะกให้ยยความเคารพเขาถ้าเราเจอกับเขาพบกับเขาแต่เวลาที่เราไม่พบปะ ก, กับเขาเราก็ไม่ต้องแสดงความเคารพอะไรนะมันเป็นเรื่องพฤติกรรมของความดีของคนดี คนดีจะทำอะไรเพื่อไม่ให้สะเทือนใจผู้อื่นให้เกียดผู้อื่นครับคุณเนตตี้ครับอุบัติเหตุรถชนกันแล้วมีผู้บาดเจ็บเราควรจะวางใจในเรื่องนี้อย่างไรดีครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เหตุสุ่มวิสยัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นี่เกิดขึ้นกับโยรเราเองก็ได้วันใดวันหนึ่นงเราเตรียมใจทํา เตรียมใจรับกับเหตุจาร์นี้ให้ได้คุณคนโคราชครับเขาบอกว่าไม่ให้เอาพระพุทธรูปไว้ในห้องนอนแต่เป็นห้องเช่ามีห้องเดียวนำมาไว้ได้ไหมครับก็แล้วแต่เรานะราอะพระพุทรูปนี้ก็เป็นแค่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเคารพ บ, บูชาถ้าเรามีที่วางไว้ที่เหมาะสมก็ใช้ได้ วางไว้บนที่แล้วทำโต๊ะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วตั้งไว้บนโต๊ะเพื่อที่เราจะได้เหมือนก็ว่ายกย่องท่านไม่ให้ไม่ให้ ไ, หไปวางไว้ข้างประตูห้องน้ำอย่างนี้มันก็คงยังไม่ควร ม, มันเรื่องของความเหมาะสมนั่นเองคุณนายครับนั่งสมาธิโดยใช้สมาร์ทวอชจับนับเวลาทุกห้านาทีต้องคอยกดปุ่มตลอดนั่งแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ ไม่ได้หรอวลานั่งสมาธิอย่าไปใช้นยกาใช้สติต้องมีสติคุณชั ด, ช, ดชัดครับคุณพ่ออายุ80กว่าบางทีเราก็ดุท่านเวลาท่านดือ้อต้องปรับใจยังไงดีครับไม่ควรจะดุท่านต้องคิดว่าท่านเป็นพ่อเราเป็นเจ้านายเราถ้าจะพูดอะไรก็กราบขอโทษก่อนแล้วก็ยกมือว่าขอข อ, ขอพูดขอบอกอะไร ถ้าไม่จําเป็นอย่างนี้ไม่ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดต้องบอกไว้ให้ท่านเป็นไปตามอัทยาสัยของท่านดีกว่าคุณนิกนะครับหนูฝึกนั่งสมาธิมาได้สักพักหนึ่งแล้วเกิดเวทนาเจ็บปวดมากเราจะมีอุบายวิธีใดที่จะก้าวพ้นอุบายความเจ็บปวดทางร่างกายได้บ้างครับก็ให้ใช้คําบริกรรมไว้เวลากอความเจ็บปวดขึ้นมาก็พุทโธพุทโธอยู่กับคําบริกรรมอย่าไปสนใจคบอาการเจ็บปวด ถาอยู่ต่อเนื่องได้ลืมความเจ็บปวดได้ก็สามารถข้ามความเจ็บปวดไปได้อย่าไปคิดถึงมันให้ยึดอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวจังการจิตจะสงบแล้วจิตก็จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ถ้ามันยังไม่หายคุณเอลลี่ครับเก็บลูกกระรอกที่ยังไม่ลืมตาโดนงูไล่กินมาช่วยเลี้ยงเขาจนอายุสองปีแล้วแต่ว่งเล็บว่าในโกงนะครับ จะบาปไหมหรือต้องปล่อยไปีครับก็ถ้าเราเป็นเขาจะรู้สึกไงุณก็มาช่วยเรากรุณบาเตห์ก็พา เ, เราไปรักษาเสร็จแล้วก็จะไปจับเราขังไว้ในบ้านอยางนี้ก็ควรจะปล่อยให้เป็นออปชั่นของของเราจะดีกว่าคือเี้ยงเขาได้เลี้ยงในกรงหน้าแต่เปิดเปิดกรงไว้เขาจะเข้าออกตามเวลาตามอธัธยาศัยของเขาก็าอยากจะอยู่ก็อยู่เขา อ, อยากจะไปก็ปล่อยเขาไป คุณคีวานครับทำยังไงให้ไม่คิดเรื่องไร้ายๆทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นครับเวลาว่างชอบคิดไปเองรู้สึกทุกข์มากเลยครับก็เนยหไม่เจริญสติไงทาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเวลาเกิดความคิดไม่ดีเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธหยุดมันได้คุณทองครับนิวรห้าข้อใดยากที่สุดครับช่วงนี้ถี่นมิทะบุกหนักมาก ขอพระอาจารย์ช่วยชี้ทางไหมครับแล้วแต่ละคนว่ามีเจริญนิสัยไปในทางไหนถ้าราคะเจริญก็จะมาทางการมาราค่ะหรือการมาฉันทะเนี่ยถ้าโทสะเจริตก็มักจะโกรธมันแต่ละคนมีเจริตไม่เหมือนกันมากน้อยต่าง ก, กันไปคุณศิรินครับ สิ่งที่ต้องการในชีวิตคือธรรมชาติที่สงบไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้ชาวพุทธอีกมากจะหลงผิดในหลักธรรมที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาลูกบางครั้งเห็นเฟซที่มีชาวพุทธหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปคอมเมนต์เพื่อปกป้องพระศาสนาแต่บางครั้งอย่างที่พระอาจารย์สอนเป็นเรื่องของคนบางครั้งต้องนิ่งเฉยแบบนี้ลูกเป็นชาวพุทธที่ผิดไหมครับชาวพุทธที่ถูกก็คือเราคนปฏิบัติตามคำสอนไม่ใช่ไปคอยสอนคนอื่น คนจะเป็นนักศึกษานักเรียนหรือกับไปเป็นครูเป็นอาจารย์ถ้าเรายังไม่บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์อย่าพู้ไปสอนใครแม้แต่พ้าอาารบางทีท่านก็ไม่อยากจะสอนใครแล้วเราปล่อยเลยตามเลยคุณบางกรครับผมนอนดูลมหายใจจนหลับอย่างนี้ได้บุญหรือเปล่าครับไม่ไนะ่าเลยได้หลับไหมได้นอนหลับก็ปัญญานอนหลับไง คุณสโตนครับหนูพยายามนั่งสมาธิฝึกเห็นการทํางานของขันห้าว่าเป็นอนัตตาจะได้ปล่อยวางอย่างนี้ไม่ครับไม่ใช่วิธีนั่งสมาธิไม่ต้องการเห็นอะไรต้องการให้จิตสงบนิ่งการจะเห็นขันห้านี้ต้องรอเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อยู่ในสมาธิอาจารย์ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไปเรื่อ ย, เ, อยเพราะว่าการจะเห็นอะไรนี้เป็ น, ปนการศึกษาการรนําเรียน ส่วนการทำสมาธินี้มีการพักจิตให้นิ่งให้สงบให้มีพลังคนละเรื่อง ก, กันทำไม่ไม่ควรจะทําพร้อมกันคุณใบตองครับนั่งสมาธิโดยไม่ได้อาราธนาศีลและสวดมนก่อนได้ไหมครับได้การการนั่งสมาธินี้ก็เป็นการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นในตัวเราที่เรียกว่าปฏิบัติบูบบชา คุณมาริสาครับตอนนี้มีคนตั้งตนเป็นเทพแล้วใช้แบรนด์พระเจ้าและขายสินค้าของพเจ้าคือความเชื่อความศรัทธาที่ขายและทำผลประโยชน์ได้ตลอดการโดยไม่เกรงกลัวตบะเป็นเพราะอะไรถึงมีคนหลงเชื่อพวกเทพจอมปลอมได้ตลอดก็อย่างที่บอกเอาวิชาครอวามจิตใจของคนนี่ได้มีใครมาเสนออะไรแล้วฟังแล้วเขาถูกใจเขาก็ไปเชื่อกัน คุณเพครับถามว่าถ้าเราสวดมนต์จนหลับคืออะไรครับก็หลับก็บัญญานอนหลับนปเครับบยานอนหลับก็ดีดีกันนนอนไม่หลับใช่ไหม <c oughs> ถ้านอนไม่หลับแล้วสวดมนต์ก็ลหลับก็ดีแต่ไม่ได้ไม่ ไ, ไ, มไ้มีการปฏิบัติทำได้อย่างไงคุณวันทิพย์ครับโอนปัจจัยถวายพระอาจารย์สามครั้งครั้งละหนึ่งพัน 1, อย่างนี้เป็นการสะสมบุญไหมครับ ก็สะสมไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็ไปการเพิ่มบุญที่เรามีอยู่ในใจให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆคุณแทนครับผมเคยทำสมาธิแบบผิดๆเกิดอาการเกรง็งตึงปวดกล้ามเนื้อหัวคอคิ้วตึงใบหน้ายังรักษาไม่หายเลยครับตอนนี้ต้องสูงแล้น่าจะไม่ใช่ผลจากการปฏิบัติหรครับอาจารย์ า <laughs> <c oughs> คุณแพทครับทําอย่างไรจะไม่ยึดกับร่างกายได้ครับอาทิตย์ก่อนป่วยถามตัวเองว่าพร้อมไหมที่จะต้องไปถ้าจะต้องไปจากโลกนี้ดูเหมือนจะไม่พร้อมครับแถมปรุงแต่งความคิดอีกมากมายครับก็บองท่านก็ฝึกความมักน้อยสันโดษในการเลี้ยงดูร่างกายก็ร่างกายก็เลี้ยงดูสบายแบบมักน้อย พ อ, พออยู่พอกินไปหรือฉันโนยินดีตามมีตามเกิดไปอันนี้ก็เป็นวิธีไม่ยึดกับร่างกายได้ในาาระด่บคุณกรครับผมคอยเผลอเคยเผลอมองผู้หญิงแต่ดึงสติกับคืนมาได้ต้องทําอย่างไรถึงจะหายมองครับก็พยายามดึงสติไว้อยู่เรื่อยมีสติอยู่เรื่อยพยายามทุกครั้งที่มอง เห็นร่างกายที่สวยงามก็คิดถึงอาการที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวนนาาหนังอาการหนักนักองทั้งทีก็มองให้มันทะลุโป่ปไปเลยบอกให้มันครบที่อาการชา12ไปเลยคุณอู๊ดครับถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมที่บ้านแต่ส่วนมากกําจัดทุกโดยการมองว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่เที่ยงทําให้เราทุกน้อยลงแบบนี้เราจะได้บรรลุธรรมไหมครับ ก็ที่เยมวนุธรรมต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ถ้าปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยให้มันแกม่มันเจ็บมันตายได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันก็บรรลุได้คุณเก๋ครับการเจริญสติเราควรใช้คําบริกรรมที่เป็นการท่องตัวเลขแทนได้ไหมครับก็ลองทําดูแล้วกันถ้ามันได้มันหยุดความคิดได้ทําใจสงบได้ก็ใช้ได้ คุณหนุ่มน้อยครับผมสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วผมนั่งสมาธิแต่มีอาการลอยครับผมเลยทำเฉยที่หลวงตาเคยบอกว่าให้เฉยเไม่ต้องสนใจผมเลยต้องเฉยผมนับหนึ่งถึงร0อยครับแต่พูดในใจพุดโทเสร็จนับหลงแล้วเลยผมต้องนับหนึ่งใหม่ถึงส3สรอบไปแล้วครับรอบ2ผมมีอาการปวดเมื่อยซ้ายแล้วเลยพอครบสามรอบผมเลยหยุดสมาธิ ผมเอาพอดีเลยได้ไหมครับคุณยังทาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบนิ่งเย็นสบายคุณไก่ครับสวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งสวดแต่งตัวไปด้วยสวดไปด้วยอย่างนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้หรอกมันบุญนีนเกิดจากการที่เราควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้สักแต่ว่ารู้ คุณออนอนโน์ครับดูลมที่ปลายจมูกแต่บางทีจิตไปดูลมที่ท้องอย่างนี้ได้ไหมครับคุณอย่าน้มจุนได้จุดนน้ำให้คนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณหญิงครับการฝึกสมาธิคือห้ามคิดฟุ้งเลยใช่ไหมครับไม่คิดเลยให้ให้นิ่งเลยให้จิตนิ่งสงบปราศจากความคิดผุนแต่เพราะฉะนั้นจิตจะมีความสุขมากจะสงบแล้วจะมีความสุขมาก คุณอ้อมครับเวลานั่งสมาธิแล้วมดกัดรับรู้แล้วปล่อยให้มันกัดไปได้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หายเจ็บเดี๋ยวนี้เวลานั่งเฉยๆแล้วมดกัดก็พยายามคิดแบบตอนนั่งสมาธิคือปล่อยให้มันกัดไม่ทุกข์กมันไม่เกาไม่ไล่มดอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อละความยึดมั่นถือมั่นไหมครับก็ละส่วนหนึ่งละเมตนาที่เกิดจากกากักาจากการถูกแลงสัตว์กัดต่อยแล้วใจก็เฉยๆไป คุณเปลมครับบอกว่านั่งฟังธรรมะผ้าจารย์แล้วนั่งสมาธิไปด้วยได้ไหมครับได้แต่เวนั่งสมาธิคนอย่าไม่ต้องไม่ต้องใช้คำอธิกรรมพูดเถอแล้วดูลมาหายใจให้ฟังเสียงธรรมที่สนทนาธรมแทนจะได้ปัญญาด้วยฟังไปจะได้เข้าใจด้วยแล้วก็จะได้สมาธิด้วยคุณอัมพันธ์ครับน้องที่ทํางานเพิ่งเสียแม่ไปตอนนี้มีความทุกข์เนื่องจากคิดว่าตัวเอง ย้ายโรงพยาบาลให้คุณแม่ช้าไปเลยเป็นเหตุให้คุณแม่เสียชีวิตจะทําอย่างไรให้เขาคลายทุกข์ไม่โทษตนเองได้ครับคนลราตายเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีทุกสถานที่ไม่มีใครไปทําให้เขาตายถ้าไม่มีเจตนาที่จะไปทําให้เขาตายมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ผิดหรอกคุณมลครับขอความเมตตาในการดับทุกที่จิตที่เกิดขึ้นจากคนที่ไม่ดีทําให้เกิดทุกข์ครับ ก็เราไปอยากให้เขาดีามันก็เป็นทุกข์ก็ปล่อยเขาไม่ดีไปอย่าไปอยากให้เขาดีแล้วก็เราก็จะไม่ทุกข์ของเขาคุณศิริชัยครับการเผยแพร่คําสอนครูบาอาจารย์คําสอนต่างๆในโซเชียลเพื่อประโยชน์แก่ตัวเองแนละผู้อื่นโดยไม่แสวงผลกําไรแบบนี้ทําได้ถูกต้องไหมครับได้ก็เป็นการแจกธรรมะธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง คุณสิริออนครับคนในครอบครัวมีความทุกข์ถ้าเขามาขอคําแนะนําจากเราแล้วแต่เขาไม่ทําตามเขาก็ทุกต่อไปแบบนี้เราควรปล่อยวางใช่ไหมครับไม่ต้องไปทุกตามเขาก็าเหมือนหมอคนไข้ามาห ม, าหมอหมอก็ให้ยาไปกินเขาไม่กินหมอจะไปเศร้าจะไปเศรา้ศราโศกเสียใจหรือเปล่าหมอก็ทําหน้าที่ของหมอเต็มที่แล้วส่วนคนไข้เขาจะศรัทธาทาตามหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขา มีหัวหน้าทีมที่ทํางานเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขเลยต้องทําอย่างไรครับทําใจถ้าอย่างไม่มีความสุขก็ทําใจปล่อยว่าปล่อยให้เขาเป็นไปนะอย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราแล้วเราก็จะไม่ถูกที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แต่เขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าไปเปลี่ยนเขาเขาเป็นส่อมก็ปล่อยเขาเป็นส่อมไปแล้วเป็นมรรคอเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นมรรคอเราก็จะไม่ถูก คุณหนุ่มน้อยครับคุณยายกรุงเช็ดตัวแล้วไม่แห้งแต่ผมจะเช็ดให้ครับแล้วยายให้ผมพอแล้วก็ผมไม่ยอมต้องเช็ดน่คุณจะเป็นเรื่องเล่าคุณภาษาเรืว่าคุณโกวัตครับทุกวันนี้พยายามเจริญสติด้วยการเห็นอนัตตาพยายามมองดูขันห้าเกิดขึ้นดับไปครับก็นิเพื่อปล่อยวางไม่ให้ไปทุกข์กับมันนะ คุณแคนครับก่อนนั่งภาวนาต้องตั้งสัจจะ ก, กําหนดเวลาว่าจะนั่งเท่าไหร่อย่างนี้จําเป็นไหมครับก็แล้วแต่เราจะกําหนดก็ได้ไม่กําหนดก็ได้คุณไก่บอกว่าถ้าเราสวดมนต์แต่จิตไม่นิ่งอย่างนี้ได้บุญไหมครับคือมันเป็นการเหมือนกับเป็นการปลูกต้นไม้นะยังไม่ออกดอกออกผลการปฏิบัติธรรมนี้ยยังไม่ถ้าจิตยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาที่นี่แสดงว่ายังไม่ออกดอก เป็นการปลูกต้นไม้เป็นการลดน้ำฝนให้กับต้นไม้ไปเรื่อยๆคุณโมโนครับนั่งกรรมาฐานแล้วใจมันวิววิวตัวคงเครงเกิดจากอะไรครับก่อนจาการไม่มีสติเลยถ้า ม, มีสติแล้วใจก็จะนี่ไม่คลองแล้วใจก็จะไม่วิวใจก็จะนี่ยสงบคุณ เอลลี่ครับเวลาเห็นคนใส่บาตร ท, ทาบุญหรือเขาทําสิ่งดีๆเราร่วมอนุโมทนาสาธุบุญอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับมันก็ได้ความรู้สึกที่ดีเห็นเขาทำบุญแล้วชื่นชมยินดีดีกยวเข้าไปแล้วก็ได้ความรู้สึกนั้นไปนั่นเองแต่ไม่ได้เป็นบุญแบบเดียวกับที่เขาทําบุญ น, นี่กิดจากการให้เราไม่ได้ทํำเราก็ไม่ได้คุณอินครับ พ่อทำร้ายร่างกายเราแล้วเราสู้ถือว่าเราทำกรรหนักไม่มีทางเจริญได้แล้วหรือเปล่าครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ า, วามันเราเราทำไปเพราะว่ามันเป็นสัญชาติญาณหรือเปล่าเพื่อป้องกัน ร, ร่างกายของเราถ้าเป็นสัญชาติญาณมันก็ไม่เป็นกรรหนักแต่ถ้ามันเป็นแบบว่ามีความโกรธความแค้นแล้วก็ทำไปด้วยความโกรธความแค้นนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นกรรหนัก คุณมามีบีบีครับเข่าเสื่อมนั่งสมาธิเข่าจะลอยข้างหนึ่งใช้หมอนรองเข่าได้ไหมครับถ้านั่งแบบเข่าสมาธิไม่ได้ก็นั่งท่าอื่นก็ได้แต่มันก็จะทำให้นั่งไม่ได้นานเหมือนกับท่านั่งสนั่งขัดสมาธิคุณวลินละดาครับการสวดมนต์เราจำเป็นต้องสวดหลายๆบทหรือไม่แล้วระหว่างการสวดมนต์กับการนั่งสมาธิเราควรเน้นสิ่งไหนหากเราต้องการวิสติครับ คือการสวดมนต์กานั่งสมาีิก็เป็นการปฏิบัติอันเดียวกันเพื่อให้จิตสงบเพียงแต่ ว, ว่าการสวดมนนี้จะไม่ทําให้จิตสงบเท่ากับการนั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิได้เลยนะเราก็ไม่ต้องสวดก็ได้แต่ถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้จิตยังฟุ้งอยู่ก็ใช้การสวดมนต์เพื่อกําจัดความฟุ้งก่อนแล้วค่อยมานั่งสมาธิต่อคุณกรณ์ครับ คนที่ไปปฏิบัติธรรมพอกลับมาก็ยังที่บนชอบว่าคนอื่นและอารมณ์ร้อนผมจะทำอย่างไรดีครับก็บ่อยเขาเป็นตามนัยเขาไปอย่าเปลี่ยนเขาต้องเป็นยังไงก็าบ่อยเขาเป็นไปไม่ใชไ่ไปปฏิบัติธรรมปุ๊บแล้วมันจะเปลี่ยนหน้ามันไปนหลังเลยที่ไหนคนเราอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆคุณจี๊บครับขณะ น, นี้ร่างกายเจ็บปวดบางจุดจะดับทุกข์จากความเจ็บปวดได้อย่างไรครับ อย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันปวดไปถ้ายินดีกับมันจะไปลังเกียจมันความทุกข์กิจากการลังเกียจอยากจะให้มันหายถ้าเรายินดีเราชอบมันก็จะไม่มันก็จะไม่ทุกข์คนที่ชอบกินเผ็ดนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์เผ็ดเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนีเ่เจอเผ็ดเมดเดียวนี่โอ้โหจะทุกข์กันขนาดอย่างยิ่งเลยไม่อยู่ที่การฝึกจิตเราให้ยอมรับกับสิ่งที่ มันเราต้องรับที่เราต้องเจอเนี่ยถ้าเรารับกับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรารับกับมันไม่ได้เราก็จะทุกข์ก็จะเกิดวิพภะว่าตัณหาความอยากให้มันหายไปคุณประวันรัตน์ครับเวลานั่งสมาธิแล้วตกผวังบ่อยจะต้องทําอย่างไรครับถ้าถ้าเป็นผวังสงบก็ใช้ได้แต่ล้วเป็นผวังหลับก็ก็ควรจะลุกขึ้นมาเดินอย่าอย่างนังนน่งถ้านั่งแล้วหลับก็อย่าอย่างนั่ง ผวางมันมีสองอันผวางแบบมีสติก็ไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็เรียกว่าผวางหลับถ้ามีสติก็เรียกว่าาวางของสมาธิความสงบคุณนาวาครับตอนนี้เกิดโมหะโทสะอย่างที่สุดบ้านติดถนนสุขสวัสดิ์คนเล่นน้ําเสียงดังตั้งแต่สิบเอ็ดโมเช้าเสียงดังหนักขึ้นเรื่อยๆพยายามข่มจิตใจรู้ลมหายใจแต่เมื่อสักครู่สติขาดผึง แต่คนด่าเสียงดังลั่นบ้านพวกข้างนอกจะได้ยินหรือไม่ไม่ทราบแต่ตัวเองนี่แหละรับเต็มๆความรุ่มร้อนในจิตเผาตัวเองขณะที่พิมพ์นี้พยายามเรียบเรียงสติกลับมาอยู่ครับขอน้อมนำเมตตาบา ร, รมีพระอาจารย์หลวงตาปกปักรักษาหนูให้รู้ลมเท่าทานอารมณ์เกิดสติและสงบในที่สุดด้วยครับก็นี่แนเะพราะความอยากของเราอยาให้เขาไปเล่นกังพอเขาเล่นกันแลเราก็เลยทุกข์ ถ้าเราอยากให้คนเล่นแล้วก็ไม่ทุกขถ้าเราอนุมโมทนาเออวันนี้วันสง ก, การนะเขาอยากจะมีความสุขเล่นกันก็โอเคเอาให้เต็มที่เลยเราก็จะไม่ทุกข์แค่นี้แหละมันอยู่ที่ความอยากของเราเอง ค, คนที่เข้านุมโมทนาเข้าไปเล่นด้วยเขาก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเออวันนี้วันสง ก, การเอาเล่นกันเราต้องต้องเล่นกับเขาไปมันก็ไม่ทุกข์ ค, คุณชูชีครับบอกว่าสวดมนต์อย่างไรจะได้บุญครับ ส่วนแบบไม่สติงไงส่วนไปจังก่อจิตจะสงบก็จะได้บุญคุณลิชแมนครับกินไวน์เพื่อสุขภาพผิดศีลไหมครับถ้าเป็นสุราันก็ผิดทั้งหั้คุณแจมครับเวลาเร า, เ, าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเบาเหมือนตัวลอยเราคิดไปเองใช่ไหมครับก็สังเกตดูเลยบางคนลอยจริงก็มีบางคนไม่ลอยจริงก็มี คุณลัดครับถ้าแมวหรือสัตว์ที่เขาล่าเหยื่อมากินสัตว์ผู้ล่าบาปไหมครับอย่างไงนะถ้าแมวหรือสัตว์ที่เขาล่ามันมัยไงอ๋อสัตว์ที่ล่าเหยื่อมากินแบบแล้วไปฆ่าเขาแล้วเอามากินอย่างนี้สัตว์ตัวนั้นที่ไปล่าเขามันบาปไหมครับคือถ้าถ้าใครเป็นผู้ฆ่าเขาทั้งหมบาปแล้วแต่ไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้ไม่บาป คุณชาครับเวลานั่งสมาธิแล้วเสียงชีพจรดังกล้องในหูคือจิตรวมไหมครับแล้วจิตรวมคืออาการแบบไหนครับไม่รวมอ่ะถ้าจิตรวมทุกอย่างปัญญาหายไปหมดแต่ความว่างความนิ่งความสงบไม่แต่ความรู้สึกของร่างกายร่างกายก็จะหายไปด้วยคุณชโกโก้ครับทำไมคนเราบางคนเกิดมาจนบางคนรวยจนก็จนลำบากครับ ก็ไม่ได้ทําบุญทำด้านมาในอดีตชาตินี่คนทําบุญทำดา้าน้วเป็นคนเอาเงินมาฝากไว้ในพนี้ชาตินี้มารอเราอยู่พอมาเกิดพั๊บก็มีเงินรอเราอยู่เลยมาเกิดเป็นนุ่ของคนรวยแล้วถ้าทํามาะเก่งก็สามารถนําตรวยได้อย่างง่ายได้มันสมน้มรวยอันนี้เป็นเรื่องของทานบาลาีวันนี้แสดงเรื่องบาลีสิทธิพอดี ว่าทำไมคนเรามาบุญเกิดมารวยมาบุเกิดมาจนก็เพราะทานนี่แหละทําให้คนเราร ว, วยแล้วนนจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรวยจะจนจากทานที่เราทําในาดิตอย่างเดียวเพราะโกงโกงในชาตินี้ก็รวยได้ใช่ไหมนั่นเะป็นเะรื่องหนึ่งแต่การทําบุญทำทานในเด็กก็มีส่วนจะนยกตัวอย่างพระเวชสันดนดรท่านก็ทําบุญทําทานอย่างเต็มที่เลยพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดบุญสวรรค์ก่อน หลังจากก็ลงจากสวรรค์มาก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของกษัตริย์คุณวันนี้ครับเป็นทุกเรื่องลูกสาวมีปัญหากับสามีเขาจะทําอย่างไรให้คลายกังวลได้ครับก็เรื่องของเขาจะมายู่งกับเขาอนันตาไม่ใช่เรื่องของเราครับชอบเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเรามันก็เลยทุกขน์น คุณเต้ครับเพื่อเห็นเพื่อนบวชในคำมะถือศีลแปดแต่ดูเฟซบุ๊กดูโซเชียลต่างๆแบบนี้ศีลขาดไหมครับก็น่าจะขาดเนี่ยเพราะว่าไม่ควรที่จะไปรับรู้เรื่องทางโลกไว้ทง้งโลกกระทำคุณกุ้งครับเวลานั่งสมาธิแล้วจะเผลอหลับแก้ยังไงครับลุกขึ้นมาเดินนะคุณสุธารัตน์ครับ อยากเรียนถามถ้ามีลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรทําอย่างไรถึงจะใช้หนี้ให้หมดจะทําบุญด้วยอะไรถึงจะดีขึ้นครับเขาทำเขาต้องการอะไรก็ให้เขาไปทําำมาเขาอย่าไปทํมาที่หรือเขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไปให้เป็นอย่างนั้นเขาพอใจแล้วเขาก็จะไม่มายลูกกับเราคุณเซมิลาครับเรื่องการไม่ได้อโหสิกรรม ต้องทำอย่างไรเพื่อขออโหสิกรรมครับถ้าถ้าเขายัางอยู่ก็ไปขออโหสิกรรมของเขาสิถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็แปลว่าเลยตามเลยไปจบคุณอ๋อครับลูกสาวชอบพูดจาฟังแล้วรู้สึกไม่ดีกับแม่เราจะต้องวางใจอย่างไรครับก็ไม่สอนตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นเด็กเวลาจะพูดอะไรนี้ต้อง ต้องระวังอย่าไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีเพราะมันนั้นแสดงว่าเราไม่มีความเมตตานําไปทำร้ายความรู้สึกทําร้ายน้ำใจแล้วทาร้ายจิตใจเขาด้วยการกระทําของเราก็อสอนเข้าไปถ้าสอนไม่ได้เราก็ต้องทําใจคุณช็กโก้ครับหนูสวดมนต์ทุกวันแต่บางวันนั่งสมาธิพอนั่งสักพักเงียบจะมีเสียงคล้ายคนเดินเข้ามาข้างหลงังรู้สึกขนลุก พยายามหลับตาสมาธิแต่อดไม่ได้ลืมตาหันหลังแต่ไม่มีอะไรเลยรู้สึกกลัวแบบนี้คืออะไรครับจิตไม่สมงบมาจิตร้อนจิตเลอนราเองคุณพัศณีครับทำบุญออนไลน์แล้วไม่ได้กรวดน้ำจะได้บุญเหมือนกับที่เราไปทำที่วัดไหมครับออทำบุญไ ด, ได้ได้บุญแล้วการกวดน้ำนี่เป็นการแบ่งบุญให้กับพู้ให้กับผู้ที่ร้องนับไปไม่กรวดน้าก็ได้บุญ กดน้ําก็ได้มุนตั้มันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการกดน้ําหรือไม่กดน้ ำ, นำคุณคลองสติครับมีพี่ในที่ทํางานแสดงออกว่าไม่ชอบและบางครั้งก็พูดเหน็บแนมเราวางตัวโดยไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยหรือจําเป็นคุยเฉพาะเรื่องงานแบบนี้ถือว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราใช่ไหมและเราวางตัวทําถูกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คอยสร้างความทุกข์ให้กับเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นเจ้ากรามนายเวรเร คุณมานีครับพ่อกับแม่แก่แล้วแต่ยังทะเลาะกันตะคอกกันทุกครั้งปวดหัวมากค่ะจะทํายังไงกับพ่อแม่ดีพูดแรงก็น้อยใจครับก็มันเรื่องของเขาคุณสู่ครับเมื่อคืนหนูภาวนาเอามือทุบที่หัวเอามือกุมที่หัวครับเอามือป้องแสงที่ออกจากหน้าผากหลับไปฝัน ผูกหลอกลวงบอกหนูจะรวยเป็นพันล้านโมโห Challenge. เลยรีบลุกตกใจคล้ายๆสันจนตัวชาแบบนี้ทำไงดีเป็นบ่อยๆถึงกับหลอกในฝันแล้วโมโหครับก็สติเราไม่ค่อยดีพยายามฝึกสติให้มากขึ้นคุณมาร์ชครับคุณพ่อผมอายุมากแล้วมักจะพูดทวงบุญคุณลูกๆอยู่ตลอดและมักติตำหนิตลอดทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ดีเลย พยายามทําตามแท้ทุกอย่างแล้วครับก็ปล่อยท่านพูดไปทําไปเราอย่าไปถึกสากระนันปล่อยท่านพูดไปคุณเมย์บอกว่านอนทําสมาธิได้ไหมครับก็มันจะหลับมันจะไม่ได้สมาธิมันจะไม่ได้ความสงบคุณมินนี่บอกว่าถ้าฝันเห็นคนที่ล่วงรับไปแล้วไม่รู้จักพอตื่นมาแล้วแผ่บุญส่งให้เขาได้ไหมครับถ้าจะส่งบุญให้เขาก็ต้องไปทําบุญไม่ใช่แผ่เฉย ต้องไปทำบุญใส่บาตนนะั่นถวายเมิถวายอะไรให้ให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะแล้วก็สามารถทิ่บุญได้ไหมกับผู้ที่ร้วงรับไปได้คุณอัญชลีครับถามพระอาจารย์ทำบุญให้ผู้ร่วงรับแบบใดให้ผู้ที่ผู้รับที่ตายไปแล้วได้บุญมากที่สุดครับอยากจะได้มากก็ทำมากนะนี่ยวิธีเดียวก็คือทำทานนี่ถ้าทร้อยหนึ่ง ถ้ามันน้ยไปก็ทำท่านพันอย่างนี้มันก็จะได้มากขึ้นครับสูนักป่วยหนักกําลังจะเปลี่ยนหมอเป็นที่ห้าระหว่างยื้อเขาไว้กับยุติการรักษาแบบไหนบาปกว่ากันครับถ้าถ้ายุติรักษาเขาก็แสดงว่าเราเรียงมีเรามีความเมตตาควาสงสารน้อยอยู่ถ้าปล่อยวางก็เราก็ถือถ้าไม่รักษาก็ถือว่าเรามีอุเบกขา แล้วแต่เราจะเลือกออกอแบบใดก็ได้คุณโคตรราชาครับก่อนตายควรพิจารณาร่างกายหรือจับอารมณ์ที่พุโทโธดีครับแล้วแต่เราทำแบบนั้นได้ก็ทำแบบนั้นไปคุณจิกกี้บอกว่าข้างบ้านกินเหล้าเสียงดังอย่างนี้โทรแจ้งตารวจให้มาจับอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปอาจจะไปสร้างเวรทร้างกับมาับเขา อาจจะ ก, ก่อเกลียดเราแล้วอาจจะมารังควานเราอยู่เรื่อยๆกันด้ถ้าเราเฉยๆไปเขาก็จะไม่มา ก, ก่อเกลียดเราแล้วก็ทนทนนิดหน่อยเว้นย่ำหลังนั้นไนน ม, นไมการไม่จองเวรอย่าไปจองเวรจองกลรมกันเลมีคนคอมเมนต์ในทิกต็อบอกว่าฟังศนนะธรรมครั้งแรกฟังแล้วมีประโยชน์ไม่แน่ใจว่าจะขอทราบชื่อพระอาจารย์ได้ไหมเพราะเขาไม่เห็นพระอาจารย์ครับอ า, รอาจารย์สุชาติอาจารย์โตครับ อยู่วัญญาณอุตสาห์ว่าลาลัจังหวัดชนบุรีคุณอัญชลีครับสวดมนต์แต่ไม่รู้ความหมายของบทสวดได้บุญไหมครับอย่างที่พูดเนี่ยการสวด น, นี่จะถ้าจะให้บุญจิตทั้งสงบเปน็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาเนื้อทันิกาสมาธิขึ้นมาถ้ายังไม่ได้คำสงบก็ถือว่าเป็นการเป็นการเตรียมการไม่กับ ไ, ไ, ไม่กับปรุเปั้นไม้ ปลูกต้นไมาวันนี้มันไม่จะมาครับต้บนไม้จะออกดอก อ, ออกผลทันทีเราก็ต้องคอยประคับประคองต้นไม้ไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตจน ก, การมันจะออกดอกออกผลขึ้นมาการฝึกสตินัทท่งสมาธินี่ก็เหมือนกันเมื่อทำก็พยายามประคับประคองจิตให้เข้าสู่ความสง บ, บแตมันยังไม่สงบก็ยังถือว่ายังไม่ได้ออกดอกออกผลคุณอาจารีถามต่อเลยครับบอกว่าแล้วสวดมนต์อุทิศบุญได้ไหมครับ ก็ อ, อย่างที่ว่ามันมันไม่เกิดบุญมันจะไป อ, อุทิศบุญได้เองเอเก็พระอาจารย์สอนให้ไปทําทานอย่างนี้นคุณมนครับคนที่ทําไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาทําบุญเยอะเขาจะไถ่าบาปตัวเองได้หรือไม่ครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่าเขาทํามากน้อยอะไรกับใครที่ไหนเรื่องของการไถ่าบาปนี้เราถ่ายไม่ได้บาปกรรมที่เราทําไว้มันก็จะต้องส่งผลวันใดวันหนึ่ง คุณจิรพาครับเคยนั่งสมาธิและมีหลายครั้งที่นั่งไปสัปคะรู้สึกตัวเราหายไปมีตะลมหายใจ ย, ยาวๆสม่ำเสมอแต่อยู่ในสภาวะนี้ไม่นานพอรู้ปุ๊บก็หลุดออกทันทีอันนี้คือสมาธิใช่ไหมครับคือมันยังไม่สงบเต็มที่ยังเรียกว่าสมาธิก็อาจจะสมาธิแบบยังไม่เต็มที่ บุแอปเปิลครับให้คนยืมเงินแล้วไม่ค่อยได้คืนรู้สึกทุกข์มากจะทํำยังไงให้ไม่ทุกข์ครับคิดว่าเป็นการทําบุญทําทานไปเวลาทําบุญเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมเวลาทําบุญเราไม่หวังเอามันคืนอยา่างบุญที่เราไปทํานำเรามีความสุขก็คิดว่าเปการทําบุญทําทานไปก็แล้วกันบุญไพรวันครับขอแนวทางปฏิบัติข้อคิดในการลดทุกข์ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ครับ ก็ต้องยอมรับความจงว่าเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาถ้าอยากให้มันไม่ลงก็จะถุกถ้ายอมรับว่ามันต้องลงก็ยอมรับมันยินดีกับการลงแล้วก็จะไม่ทุกคุณกรครับทําบุญทีละน้อยเพราะไม่ค่อยมีแต่ก็ทําเท่าที่มีโอกาสอย่างนี้ได้บุญน้อยไหมครับทํำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเลย คุณพิทักษ์ครับคนที่ได้ไปร่วมพิธีล้างป่าช้าจะได้บุญอย่างไรบ้างครับก็บุญก็เกิดจากการที่เราเห็นความอนิจจ่าของร่างกายะเร่างกายของเราทุกวันเกิดมาแล้วมันก็จะต้องเจ็เจ็บตายไปในที่สุดมันก็จะได้ปัญญาขึ้บุญที่เกิดจากการ เ, าเห็นอนิจจ่าทุกข์กันัตตาของร่างกาย จิตไม่นิ่งคิดฟุ้งตลอดต้องแก้อย่างไรครับต้องจาริญสติครับต้องไม่พูดถอยพุดโอกลับกลับใจอยู่เรื่อยๆคุณมุกครับมแมลงสาบจิงจกอยู่ในกำลังตกอยู่ในภาวะที่ลำบากเราไปช่วยให้เขารอดปลอดภัยเป็นการทำให้เขาต้องทุกธทรมานอยู่ในร่างของสัตว์เดรัจฉานต่อไปหรือเปล่าแทนที่เขาจะตายแล้วไปพบใหม่ครับ ย่งเราก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเลยใครเป็นอะไรก็ปล่ยก็ตายไปอันนี้ก็ได้ถ้าคุณมีโอเบคาก็ไม่ต้องไปช่วยใครแต่ถ้าคุณมีความเมตตากรุณาคุณก็ต้องไปช่วยกันเราเราอยู่ได้ด้วยการความเมตตาเมตตาคำจุนโลกคุณออยบอกว่ามีครั้งหนึ่งขณะนั่งสมาธิรู้สึกเหมือนมีมแมลงยุกยิกทั้งหน้าแล้วก็หายไปเราต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจ ถ้าหยุดแบบทำอะไรก็รม่หยุดแบบการดูลมหายใจไปยังได้อย่างหนึ่งคุณชอบพกาครับการที่เราฝึกนั่งสมาธิให้เก่งกล้าจิตสงบมากขึ้นจะเป็นหนทางที่จะช่วยให้เราไม่ทุกจากการพัดภาคจากคนที่เรารักได้ไหมครับคือพยายามฝึกใจทดสอบใจไม่ทุกอาการพัดภาคแต่ฝึกยากมากครับก็ถ้ามีการสงบมันก็จะเป็นทุก ถ้ามีปัญญาว่าเป็นเรื่องปกติเราก็จะเราก็ยิงย่งจะหายทุกเลยคุณดวงฤดีถามว่าทำบุญออนไลน์แต่โดนหลอกอย่างนี้ยังได้บุญไหมครับได้ถ้าเราไม่ติตดใจกับเงินที่เราให้ไปให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยใครจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ต้องฉลาดว่าคราวต่อไปก็อย่าไปถูกหลอกซ้ำอีกครั้งนึ่ง คุณบุพผาครับโยมท่องจําท่านพระอาจารย์ให้หยุดความอยากอยากความอยากทําให้เราทุกข์เจ้าขามีเพื่อนบ้านให้ขายที่มาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆขออนุญาตท่านพระอาจารย์โยมนึกถึงคําพระอาจารย์เทศโปรดให้หยุดความอยากจริงๆโยมอยากทําบุญให้ตนเองมากกว่าเพราะไม่ทราบจะตายวันไหนบ้านหลังใหญ่ตายก็เอาไปไม่ได้บุญกับบาปจะติดตัวฟังพระอาจารย์เทศไปเทศโปรดความอยากลดลง ดูก่เลสความอยากให้น้อยลงตามพระจารย์อบรมสั่งสอนทุกวันนี้โยมนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมให้มากขึ้นเจ้ า, าคารับเลยอนุมโมทนาไปถูกทางแล้วโยมคุณเอลลี่ครับการทำบุญแล้วอุทิศให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับ ถ้าอยากจะให้คนมนชีวิตอยู่ได้บุญก็เอาเงินมาให้เขาเลยไม่ต้องไปทำขคนอื่นเอาเงินทั้งหมดที่เราจะไปทําบุญเนี่ยยกให้เขาไปเลยสายที่เราไม่สามารถให้งานคนตายได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเงินเป็นบุญเงินไปเป็นบุญเพื่อส่ให้คนตายแต่ถ้าเป็นคนเป็นเราก็ให้เงินเข้าไปเลยทำก้อนเลยเงินที่เราจะไปทําบุญเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้เอาเงินนี้ไปใช้ดับความทุกข์ทางร่างกายของเขาได้ คุณใบ ย, ยกครับลูกนั่งสมาธิจนสภาวะรู้ลมเฉยเฉยไม่ปรุงขณะที่จิตแนบติดกับลมจึงเข้าใจว่ากายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายเพราะตอนดูมันแยกกันเจ้าค่ะลูกต้องนั่งต่อไปอีกแบบนี้ให้นานขึ้นช่ำชองตามที่พระอาจารย์แนะนำด้วยขอพระอาจารย์แนะนำด้วยครับมันก็ต้องไปดูเวลาที่เจอข้อสอบหรือว่าปล่อยวาจริงแรือไม่ เวลาที่เจอความทุกข์ความเจ็บไข้ในป่วยทางร่างกายหรือเวลาที่คิดว่าหมอบอกว่าจะต้องตายแล้วเนี่ยก็ดูว่าใจเราเป็นยังไงถ้าใจเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราก็เราก็เห็นจริงปล่อยวางได้ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังเห็นไม่จริงคุณภูมิครับบอกว่าฟังธรรมะทุกวันแต่ไม่ได้ภาวนาจะได้บุญไหมครับไม่ได้นะก็ได้ครึ่งเดียว เรารู้จักวิธีทําบุญสร้างบุญแต่ยังไม่ได้ทําเหมือนกับการที่เราไปร้านอาหารแล้วก็ไปอ่านเมนูของอาหารแต่ไม่ได้สั่งให้ก็ อ, อาหารมา้เรากินเราถึก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีคุณประมูลครับการนําอัธิพระสงฆ์ที่มรณภาพแล้วที่เราเคารพนับถือพระอระหันต์มาบูชาในบ้านสามารถทําได้ไหมครับก็ไม่มีข้อห้ามตรไนั้นนะ พลอยถามว่าโอนเงินทําบุญกับพระอาจารย์แทบทุกวันแล้วอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้ไหมครับได้ทําทุกครั้งตลอดที่ได้คุณต้าครับคาถาต่างๆที่บอกว่าสวดแล้วจะรวยสวดแล้วมันจะมีส่วนช่วยให้รวยได้จริงๆไหมมีผลช่วยอะไรจริงไหมครับหรือเป็นเพียงแค่บทสวดเหมือนบททั่วไปครับมันก็แค่บทสวด่า น, นมันไม่ได้ทําให้เกิดอะไรขึ้นมาได้นอกจาก ทำให้จิตมีสติและงเงาข่าวคิดได้เท่านั้นเองคุณวิโสทะเยครับนั่งสมาธิแล้วปวดขาควรทนนั่งต่อดูเวทนาหรือเปลี่ยเอทยาบทดีครับถ้าเราอยากจะก้าวหน้าก็ต้องนั่งต่อไปไม่ขยับคุณอมเลศครับเครื่องรางของขลังช่วยทําให้แควค่าปลอดภัยจากอันตรายได้ไหมครับไม่ได้หรอก ไปอันตรายมันก็นเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคุณจอยถามว่านั่งสมาธิแล้วน้ำตาลไหลออกมาเองเป็นเพราะอะไรครับไม่ทราบเหมือนกันคุณกอฟครับที่พระอาจารย์สอนว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านแต่ถ้าเรารู้สึกอึดอัดและกลัว ว่าเรายังไม่ดีพออยากมีคนช่วยสพอร์ตในการทำความดีและอยากให้ท่านทราบด้วยในจุดยืนการจะมีทางออกอย่างไรซึ่งผลมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับไม่ทราบคําำถามามามาถึงพูดถึงถามอะไรกันไหรู้ยัดเปลี่ยนคำถามนะครับ ข้อปฏิบัตินะคะอาจารย์นั่งสมาธิและฟังธรรมไปด้วยควรกําหนดสติที่ลมหายใจเข้าออกหรือสนใจที่เสียงธรรมครับใช้เสียงธรรมแทนถ้าฟังธรรถ้าไปดูลมแล้วเสียงธรรมมันจะ ม, มันจะมาตีกันกับลมหายใจอารดูลมหายใจนั้นเอาอย่างไรถ้าจะถ้าจะดูลวมก็ปิดเสียงธรรมอย่าไปให้มีเสียงธรรมเข้ามารอบกวนแต่ถ้าจะฟังธรรมก็ไม่ต้องเอาลมหายใจมารบกวนฟังธรรอย่างเดียวเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณเมย์ครับลูกอยากได้ของแพงๆแล้วเรายัางไม่ให้เขาว่าเราลูกบาปไหมครับเขาก็ไม่มีความามรับผิดในพ่อแม่ไม่ควรลูกไม่ควรว่าพ่อว่าแม่แต่ว่าจะบาปมันก็ยังไม่ผิดศีลอาจจะเป็นวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับคุณอัตพลครับ เมื่อก่อนกลัวป่วยกลัวตายมากกลัวไม่มีคนดูแลต้องเตรียมเงินไว้ให้มากๆพอมาฟังธรรมรู้ว่ากายเป็นเพียงก้อนธาตุเหมือนก้อนดินก้อนหินที่ต้องแก่ต้องป่วยตายไปไม่ใช่เราจึงเบากลัวเบากังวลไปได้เยอะคิดเห็นแบบนี้ถูกทางไหมครับถูกแล้วถ้าใจเราไม่กังวลไม่ไม่ไมไ ม, ไม่กลัวก็แสดงว่าเราไปถูกทางนะ <c oughs> คุณสายวารีครับ การฟังบทสวดมนต์กับสวดมนต์เองผลที่ได้เหมือนกันไหมครับถ้ามีสติถอดใจอยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้เหมือนกันแต่การฟังมันง่ายกว่าการที่เราต้องสวดเองคุณชาลีครับไม่ค่อยเข้าวัดแต่ถือศีลห้าประจําถ้ามีโอกาสก็จะถือศีลแปดทุกวันพระไม่ค่อยมีเวลาได้เจริญภาวนาเท่าไหร่ครับ มีข้อเสนอแ น, นะเพิ่มเติมในการพัฒนาศีลเจริญปัญญาแบบง่ายๆไหมครับก็เองทำให้มากท่านตั้นร่างายมันจะง่ยก็ลองทาให้มากคุณปิยวัลครับเวลาเจอจิ้งจกใกล้ๆแล้วสติแตกตกใจกลัวมากขออุบายวิธีเวลาเจอสัตว์ที่กลัวหรือไม่ชอบด้วยครับให้บริกรรมพุโทโธไปเวลาเกิดอาการกลัวขันนมา คุณมังกรครับบุญจากการเดินจงกรมทําสมาธิกับถวายอาหารพระถวายสังฆทานอย่างไหนเป็นบุญครับการถวายทา น, นเป็นบุญทันทีแต่การเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิถ้าจิตยังไม่นมเป็นสมาธิยังไม่ได้บุญคุณมณริกาครับตอนที่ตักบาตแล้วถวายน้ําใส่ถ้วยให้พระดื่มได้เลยได้ไหมครับเพราะอากาศร้อนมาก ก็มันแล้วแต่การรัเทศ่ยวว่ า, ท, าวท่านอยากจะดืด่มหรือไม่ท่านอาจจะไม่อยู่ในใ น, น ด, ย ด, ยดยปกติการเป็นระบาดนี้จะไม่ทำกลิ่นอย่ยอยางนี้จะไม่ว่ากินข้าวมันจะไม่ว่าดมน้ากางตากคุณแคนครับบางทีต้องช่วยสัตว์แต่กลายเป็นทําร้ายหรือฆ่าเขาวโดยไม่เจตนาอย่างนี้บาปไหมครับ ก, ก่อนจะช่วยก็ต้องดูว่าเรามั่นใจว่าเราจะช่วยเขาได้หรือไม่ถ้าช่วยเขาไม่ได้ก็อย่าไปช่วยดีกว่าเดี๋ยวกิดไปทําให้เขาตายเสียก่อนเสียเองคุณเปิ้ลครับปฏิบัติแล้วมีตัวรู้เห็นอารมณ์เกิดแล้วดับเหมือนเห็นตัวรู้ด้วยต้องพิจรนารณาอย่างไรต่อไปครับก็ปล่อยวางฮนุก็ปล่อยวาง น, นั่นเองว่ามันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรม ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันคุณโอดครับบอกว่าดูแลพี่ชายที่ติดเตียงต่อจากแม่ที่สูงอายุแต่รู้สึกว่าทําเพราะหน้าที่ไม่ได้ทําด้วยใจอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็ได้เหมือนก็เป็นการเสียสละแต่เพียแต่ว่าอาจจะไม่ได้ความรู้สึกสุขที่เกิดจากความเมตตาก็ได้ทำด้วยหน้นาที่แม่ทําด้วยความเมตตาถ้าทําด้วยเมตตาสงสาร อยากจะส่งข้อเขาอยากจะให้เขามีความสุขจากการช่วยเหลือของเรามันก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความเมตตาด้วยแต่การที่ทำทาทานี้เป็นก็เป็นบุญเพราะเป็นการรับใช้บุญอย่างนี้ทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนความรู้สึกที่ใจหน่อยเดียวก็ได้บุญเยอะขึ้นเลยได้บุญได้บุญเพิ่มอีนชั้นหนึ่งบุญที่เกิดจากความเมตตา ค, คุณวิสิท์ครับ ผมกำลังฝึกนั่งสมาธิพอผมออกจากสมาธิลืมตามีน้ำตาซึมวันนี้ออกมามากกว่าทุกวันผมก็เฉยเฉยสงบแต่แค่สงสัยครับก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้ว ก, กันมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนบางคนที่จะต้องมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึง่งถ้ามันไม่มีปัญหาก็ลมันเกิดแล้วก็ผ่านไปก็ปล่อยมันผ่าน คุณอครับมีอาการเหมือนจะเครียดคิดเรื่องเครียดเครียดแล้วน้ําตาไหลต้องทําใจหรือคิดย้ําอย่างไรดีครับก็หยุดความคิดได้ก่อนก็ดีใช้พุโทโธบริกรรมพุโทโธไป็นจังก่อนจะหยุดความคิดแล้วความเครียดก็จะหายไปถ้าใช้ปัญญาได้ก็วิเคราะห์ว่าเหตุที่ทําให้เราเครียดเพราะเราอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอยากให้มันเป็นแล้วมันก็เครียด ถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะเครียก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องของมันอย่าไปอยา ก, ยากคุณสันติบอกว่าสำเร็จความใคร่ตัวเองบาปไหมครับไม่บาปนะมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะเนี่ป็นตนัณหาเป็นการเฉยขรามคุณแคทครับการทำบุญโดยถวายผ่านพระสงฆ์ให้ท่านทำบุญต่อให้เราถือว่าได้บุญเหมือนกับทาเองไหมครับ หรืออาศัยสิ่งของท่านทําให้การทําบุญบริสุทธิ์ตามสิ่งของพระจะได้บุญดีกว่าไหมครับคือการทําบุญเนี่ยมันถ้าเราให้พระเราก็ไม่ได้ไปบอกให้พระท่านไปทํำอย่างันอย่างนี้ให้กับเราถ้าเราบอกให้ท่านไปทําอย่างนี้ให้กับเราก็เราก็ไม่ได้ทําบุญกับท่านเราไปเราใช้ท่านเป็นคนรับใช้เราให้ไปทําบุญให้กับเราแต่ถ้าเราทําบุญกับท่านโดยที่ไม่ได้ไป สั่งว่าให้ไปทําอย่างนู้นทำอย่างนี้เราก็จะได้บุญจากการทําบุญกับพระแล้วถ้าพระเอาเงินนี้ไปทําบุญอีกทอดพระก็จะได้บุญเองด้วยแต่ถ้าเราบอกให้พระไปทําแทนเราพระจะไม่ได้บุญเพราะจะต้องอาจจะได้รับบุญจากการรับใช้เรเ้นองแต่ไม่ได้บุญจากการเสียสละเงินทองก้อนก้อนที่ท่านได้มาไปเพราะมันมันไม่ได้เป็นของท่านเนี่ยมันเป็นของที่ญาติโยมฝากมาให้ไปทำํำให้ท่านให้ญาติโยมอีกทีเนี่ย ก็เหมือนกันต้องรู้ว่าวิธีจะทําบุญทําแบบไหนจะได้เป็นประโยชน์ทั้งทุกฝ่ายก็ถ้าอยากจะให้ท่านทําอะไรก็ทำบุญกับท่านไปแล้วท่านยจะไปทําอะไรก็เรื่องของท่านไปเราก็ได้บุญจากการทําบุญกับท่านแล้วท่านก้าวกันท่านไปทําบุญท่านก็จะได้บุญจากการทําบุญของท่านด้วยคแต่ถ้าบอกว่าหลวงพ่อใหช่วาวันนี้ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเลี้ยงพระเนีให้หน่อยหลวงพี่จะไม่ได้บุญเล ไม่ได้บุญจากการให้เงินทองเลี้ยงพระแต่จะได้บุญจากการรับใช้โยู่วิธียมสั่งให้ไปใช่ครับ น, น, นะครับผมเข้าใจครับอาจารย์ครับคุณตุ๊กครับทํากับข้าวไว้ใส่บาตรแต่ไม่ได้ไปใส่เองให้คนอื่นไปใส่อย่างนี้ได้บุญไหมครับได้อาจจะไม่ได้เต็ม้อยขาดตรงส่วนที่เราไม่มีความเพียรที่จะไปเอาของนี้ไปถวายกับพระเอง คุณพีทครับได้คณิกะสมาธิหนึ่งครั้งอัปนาหนึ่งครั้งถ้าชาตินี้ทําได้แค่นี้จะสะสมเป็นความชํานาญไหมครับเช่นเป็นเก็บทุกชาติจนได้อัปนาหนึ่งหมื่นครั้งจนเป็นอินทรียแก่กล้าผมเข้าใจถูกไหมครับต้องทำไปเรื่อยๆครั้ง ๆ, งๆนี้มันก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นของที่ไม่แน่นอนอาจจะเป็นฟลุ๊เหมือนกับเรายิงเป้าเนี่ยยิงเป้าบางทีก็ยิงเข้าไปครั้งหนึ่งตรงเป้าเลย แต่ยิ่งร้อยครั้งก็ไม่เข้าสักทีอย่างนี้มันก็แสดงว่ามันยังไม่ไม่แน่นอนไม่มัน่นคงต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆให้มันแน่นอนมั่นคงํานานเข้าได้ทุกครั้งคุณนกครับทําบุญให้ตัวเองได้ไหมครับเพื่อให้มีพลังกายพลังใจในการทํางานที่มากขึ้นครับก็ยังไงก็ทําบุญให้กับคนอื่นนยก็เป็นการทำบุญให้กับเรา เอาเงินใส่ทำบุญใส่บาปนี่เราก็ได้บุญนะไม่ใช่คนอื่นได้บุญเราเป็นคนได้บุญถ้าที่รับอาหารของเราเนี้ยท่านไม่ได้บุญจากการให้ของเราท่านได้แต่อาหารบุญนั้นเป็นของเราไม่ได้บุญบุญไม่ได้เป็นของพระพระอาหารเป็นของพระแต่บุญเป็นของเราเข้าใจไหมเข้าใจครับคุณสันติครับ จิต ท, ที่พร้อมจเจริญปัญญามีลักษณะอย่างไรครับก็สามารถที่จะพิจารณาความไม่เที่ยงได้ใช้ความตายโดยให้มีความรู้สึกหดหูใจหรือเศร้าใจเสียใจหรือหวาดกลัวแต่อย่างใดถ้าพิจารณาความตายแล้วใจยังหดหูใจยังกลัวอยู่นี่แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะพิจารณาความตายคุณอัศวินครับ แม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอให้มอร์ฟีนโดยให้เราเซ็นอนุญาตแล้วแม่จากไปอย่างสงบตามอาการของโรคมะเร็งสมองถือเป็นมาตุคาดไหมครับถ้ า, ถ, าถ้ามอร์ฟีนทำให้เขาตายก็ถือว่าเป็นมาตุคาดคุณอวสดาครับเขาสอบถามเรื่องความกระตันยูและบาปลูกตั้งใจเรียนทำงานหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ตามกำลังให้ดีแต่พ่อต้องการให้เลิกกับแฟน เพราะในฐานะไม่คู่ควรตอนนี้ไม่คุยด้วยแล้วว่าลูกอัคตันยูเสียใจครับคือการที่ไม่ทําตามพ่อแม่ในบางอย่างนี่มันไม่ไม่ใช่เป็นความาอัคตันยูแต่อย่างไดแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ฟังพ่อแม่ไม่ฝังพ่อพ่ออยากให้อยู่เป็นกรรษัตริย์ท่านก็ไม่อยู่นี่ไม่ไม่เป็นความอัคตันยูความอัคตันยูก็คือไม่รีบดูพ่อแม่เลยที่ท่านต้องการความช่วยระจากเราแล้วเราไม่ช่วยเหลือท่าน ไม่อยู่แลท่านคำถามสุดท้ายครับาอาจารย์ครับคุณพัตรพลบอกว่าการนั่งสมาธิถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์อย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับได้เราก็เป็นคนสอบตัวเราเองก็ได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์สอบอาจจะอาจจะแน่นอนกว่าเพราะท่านรู้ท่านมีประสบการณ์มากกว่าท่านก็นจะบอกว่าเราผ่านแล้วไม่ผ่าน ดิฉันจะสอนวิธีสอบาอารมณ์ตอนนี้ว่าให้สอบอย่างไรขอกาศกรบอาจารย์ครั บ, รรบวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซ 1,059 คนครับในยู673ในขับ5ในทิกต็อก638คนรวมกัน 2,375 คนครับอาจารย์ครับ มากๆนะเนีอย่างที่คนถามว่าคาถามเขาว่าตัวเล่นมีสื่ออิทธิพลต่อต่อชีวิตเราไหมก็ไม่รู้ถ้าเราเป็นคนทำ u t u ู e อันจะมีรายได้เพิ่มหรือรายได้ลท้อยลงก็ได้แล้ายอดคนดูครับแต่เราไม่ได้ทำใช่ไหมเราไม่มีโฆษณาอะไรเราในช่องธรรมะไม่มีโฆษณาเลยครับโอเคก็ ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเร่่มฟังเทศน์ฟังธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็น้อยและนำมาไปใช้ในการปฏิบัติให้คื้นหน้าก้าวหน้าต่อไปการสนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินฟังไป พ, พิจารณารับไปปฏิบัติเพื่มความเจริญก้าวหน้ามุ่งเรื่อในทางธรรมที่จะตามมาต่อไปขอจเจริญพรสาธก็ <G ül üyor> ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าโอกาสหน้าอาทิตย์นหน้าไม่มีเหตุการณ์ข้อก็คงจะได้พบกันอีก เ, เช่นเคยข อ, อขอบพระคุณอาจารย์คับ